ทีสสิ่งแรกที่คว้าขึ้นมาก็คือไรเฟริลประจำมือโดยไม่คำนึงถึงว่าตนเองอยู่ในภาวะจะเป็นเช่นไรจอมพันผลดลุกขึ้นยืนยังไม่ทันจะทรงตัวตรงก็คริกสก็โดดเข้ามาจับตัวเขาไวร้รบพินย่เพิ่งลุกนอนเขาไม่ฟังเสียงเสียแล้วดูเหมือนจะลืมอะไรหมดพากลอนเซเอกไปพร้อมกับบอกเร็วปรือว่าอย่าวาแต่มาเกาะหน้าเกาะหลังผมอยู่อย่างนี้ปืนของคุณอยู่ไหน ประโยคหลังไม่ใช่เป็นคำลามแต่ดูเหมือนจะเป็นคำเตือนมากกว่าแล้วก็ก้า พ, พูดพาดออกไปทางปากถ้ำทันทีในขณะที่สะอิงและลูกเมียของมันที่นอนกันอยู่อีกมุมหนึ่ทพากันเตือนและส่งเสียงร้องถามอะไรเซ็ตไปหมดคริสควาเอ็มสถลันไล่เข้ามาพร้อมกับไฟฉายก่อนที่ละผินจะพ้นปากถ้ำซึ่งมีแต่กองไฟลีโซมอยู่ไรเฟิลก็ก้องกึอนอีกหนึ่งัดมันดังจริงๆบนหน้าผาที่มีแต่ความสงัดยามวิการเช่นนี้แต่คราวนี้ดูเหมือนจะดังมาจากปีกด้านซ้ายของตำแหน่งถ้ำที่เขานอนพักอยู่และไม่ต้องสงสัยเลยเสียงปืนที่คลาามขึึึ้นนกงกงดถ2 ติดต่อกันภายในรั้มไม่ถึงอึดใจจะไม่ปลุกเรียกคณะพักทุกคนรวมทั้งลูกค่ะและกะเกลียดตะเคียนทองทั้งหมดที่อาศัยนอนอยู่ตามโพรงทารอบด้านทั้งสูงและต่ําชุลมุนขึ้นพร้อมกันพรานใหญ่ขับลูกเลื่อนขึ้นรําทันทีที่พุ่งตัวออกมายังยืนอยยังริมทางแคบๆอันเป็นบริเวณที่ที่เดินเลาะเรียบไหลาผาบริเวณนั้นเขาเห็นแสงไฟฉาย3าสี่ดวงสาดรูปว่าไปจากไปมาจากตําแหน่งต่างๆและดวงที่ใกล้ที่สุดทางจากหน้าถ้าเขายังต่ำลงไปเพียงไม่เกิน10เมตรเท่านั้นดูเหมือนจะเป็นบุญคํา เพราะจำเสียงสะบดดาข่มถมเถมของแกไปในขณะนี้ได้บุญคามอะไรเขาตะโกนถามลงไปเป็นเวลาเดียวกับที่คริสตามติดออกมายืนประชิดใกล้มือและชับเอ็มสิหกพร้อมนายบุญคำยิงไอ้ผีดิบล่วงจากหน้าผาลงไปตัวหนึ่งแล้วมันไปเยแยบเคยแยบเข้ามาจนเกือบถึงบุญคำนอนอยู่ห่างแค่สองวาเท่านั้นปากกระบอกปืนแหย่พรวดลงไปเกือบชิดหน้ามันพอดีเสียงสมุนผวาของเขาตะโกนบอกขึ้นมาค น, นมากับเสียงร้องเหมือนจะบอกความอะไรมาอีกจากด้านที่จันทร์เฝ้าอยู่ ห่างไปทางซีขวามือที่เปนดวงไฟส่องกลาดอยู่ระพินใตาทางและถลายเลื่อนลไปยืนตำแหน่งที่บุญคําชีโบชีเบในพริบตานั้นเรี่ยวแรงพละงกำลังดูเมันจะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วในภาวะนี้ลำไฟฉายของบุญคํายังส่องจ้าจับลงมาที่ช ง, งอนหินตำแหน่งที่เขามีอะไรกับเรลเมื่อคืนที่แล้วทําให้มองเห็นซากหนึ่งได้อย่างถนัดบัดนี้มันนอนแข็งทื่อคว่ำหน้าค้างอยู่ตรงบริเวณเพราะมีหินกั้นอยู่มีรอยถลายลื่นคลูดเป็นทางเพราะร่างกายที่พลิกกลิ้งลงไปเสียงคลิกอุทานออกมาคํานึง สำหรับเขาเห็นเพียงแค่นั้นก็ดาวอะไรได้ถูกหมดโดยไม่ต้องอธิบายอะไรอีกครั้งสิ้นคริสฉายไฟลงไปข้างล่างกราดไปรอบๆเขาสั่งโดยเร็วพร้อมกับประทับปืนพร้อมสายปากระบอกตามแสงไฟที่แม่ผมทองปฏิบัติตามคําสั่งหล่นกราดไปตามหมู่ไม้เล็กๆที่งอกอยู่ตามชั้นของหน้าผาและก้อนหินที่ตั้งลงไปแล้วก็ร้องว่านั่นระพินหอนร้องโวยวายสิงแหลมและล่ำและักเมื่อไฟของแบตเตอรี่6ก้อนเป็นจุดโฟกัสวงกลมจับเข้ากับศีรษะ แะใบหน้าอันหน้าเกลียดดวงนึงที่กำลังรับรลอด่ออยู่ตรงพุ่มไม้ปโปร่งเลยเห็นแค่สุดเสียงบอกของหล่อนเท่านั้นจอมพรานก็กระดิกลกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของเขาระเบิดสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าเห็นแค่กับตาในแสงไฟฉายของแม่ผมทองว่าโนกแก้มอันสูงไปด้วยกระดูกมีหนังสีน้ำตาลหุ้มอยู่แหกหลุดไปทั้งกะบิ่และล่างใหญ่ตรงที่กำลังเกาะแน่นหินมีอาการกำลังจะไต่เงียบขึ้นมาปลิกตีลังการกริ้งกรวดรนกลาดขลุกๆลุลงไปตามแนวชันของหน้าผาหายแอ บ, บไปในซอกเชื้อเงื่อมหินที่โปลบังอยู่ม่านฝุนจากหิน ลูกหลางสีแดงกระจายครุงสองเอกช่วยกันส่องกลาดไปทั่วๆเขาตะโกนบอกคริสกับบุญคําที่ถือไฟฉายกันอยู่คนละดวงและเตรียมจ้องยิงก็าหักพบเป้าหมายต่อไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะพบเห็นร่างใดในบริเวณนั้นอีกสแสดงว่ามันตายตามกันขึ้นมา2ตัวตัวแรกกระเด็นลงไปแล้วด้วยลูกปืนลงอาคมของบุญคําอีกตัวหนึ่งหายหน้าไปหน้าหายไปทั้งแถบด้วยกระสุนลมช้างของระพินบนร่วงลับตาขณะนั้นเงองแอดก็ดังแทะโคลงมาจากถ้ำใหญ่แอนเป็นที่พักของเชิดบุญได้ในจ้างทั้งหลายไฟฉายอีกหลายดวงกลาดเป็นลําตัดกันไปมาพร้อมกงตะถา แยกสำเนียงไม่ถูกว่าใครเป็นใครบ้างซึ่งแน่ละทุกคนตื่นตกใจขึ้นมาด้วยเสียงปืนที่ดังปานจะถล่มหน้าผาซีกนั้นลงทั้งแถบความจริงลูกปืนอาจไม่ดังเกินไปนักแต่เนื่องจากในราตรีมืดสงัดและสถานที่อันเป็นหน้าผาหินพวกเขาล้อมรอบอยู่เช่นนี้ทั้ง3ามนะที่ระเบิดออกไปแล้วมันดังหูดับดับไม่ใครไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาในยามนี้เมื่อแต่นอนหลับอยู่ไรก็คงเป็นคนที่ตายแล้วและคนขี้เสร้าที่สุดในโลก เมืการความเข้าใจผิดจากพวกพ้องที่พากันถือปืนและไฟฉายโผรออกมาจากโพรงท้ำตามมุมต่างๆราพินไพรวันคว้าไฟฉายจากมือคริสส่องแกว่งไปไปมาตรงตำแหน่งที่ตัวเขาเองคริสและบุญคำยืนอยู่เพื่อไม่ให้พวกนั้นตาฝาดมองเห็นเป็นอื่นไปและอาจยิงลงมาทางด้านจันทที่เฝ้าอยู่เยื้องไปทางปากถ้ำของฝ่ายไหนจ้างก็กูตะโกนบอกความมาจันก็ยิงร่วงลงไปตัวหนึงนายมันกำลังจะย่องเข้ามาเล่นงานไอ้เสยพระโมเตร์หลับอยู่เพื่อกันส่องไฟไว้ตัวดูตามโขดหินด้านล่างให้ทั่วเห็นตัวก็ยิงทันทีเขาตะโกนบอก เฮเกิดอะไรขึ้นโว้ยช่างบกอีกหรือจําได้ว่าเป็นเสียงเอ็ดอึ่งของนายคีที่ตะโกนดังลั่นแทบจะกรบเสียงของคนอื่นหมดสิน้นประพินไม่ตอบเพราะปวยการที่จะ ต, ตะโกนคอแหบคอแห้งเชื่อว่าฝ่ายนายจ้างทุกคนเดี๋ยวก็รู้เรื่องแน่ชัดเองว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมีเชดวุฒเป็นล่ามอยู่ทั้งคนและอีกอย่างเบลกับสเตลลี่ก็ฟังภาษาไทยออกดีรวมทั้งอยู่ใก ล, ใกล้ๆกับจานผู้เฝ้าระวังอยู่ปากถ้าด้วย เ้าบุญคำและคริสยืนระวังคุมเชิงอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอีกพักใหญ่คอยส่องไฟตรวจค้นหาทางด้านอื่นก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและกำลังช่วยกันตรวจส่องดูยอยู่ทุกก้อนหินทุกพุ่มพงที่ขึ้นหรืองอกอยู่เป็นระยะตามแนวผาชันก่อนที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งโพรงถ้าที่คนทั้งหมดอาศัยหลบนอนอยู่ล้วนแลเห็นเงาตะคุ่มเต็มไปด้วยปริศนาชวนสงสัยไปหมด ตำแหน่งไหนที่กลายเป็นที่สงสัยว่าไอ้พวกผีดิบที่พยายามไต่เงียบระบายพลขึ้นมายังกลุ่มของมนุษย์ซึ่งมาอาศัยนอนอยู่บนถ้ำถูกกระสุนขนาดต่างๆยิงเหมือนจะเป็นการตรวจสอบไปทุกจุดเสียงปืนจึงดังสลับกันเป็นจังหวะประเดี๋ยวจุดนั้นอีกตูประเดี๋ยวหัวกระสุนตัดกิ่งไม้และก้อนหิ น, หนเกิดประจายไฟวูบวาบและฝุ่นอันเกิดจากการลอยกระทบของหัวกระสุนปลิวว่อนระวังพวกมันอาจแหบแอ บ, บซ่อนหลบมุมอยู่หลังก้อนหินตามทางที่เราไต่ขึ้นมาแล้วเสียงด็อร์แซนลีร้องสั่งการขึ้น เมื่อนั่นเองอาจเป็นคีตที่เชิดบุษคนณใดคนหนึ่งที่ยิงพลุขนาดเล็กชนิดมือถือปังขึ้นไปกลางอากาศอึดใจต่อมาแสงสว่างจากพรุสําหรับสองแสงก็จ้าขึ้นสองให้เห็นทั่วบริเวณหน้าผาตอนนั้นและรอดลงไปถึงพื้นล่างด้วยจากแสงสว่างขนาด2 0 0 0 0ืแรงเทียนที่แผดอยู่เหนือบริเวณนั้นทั้งหมดทําให้ทุกซอกทุกมุมอันน่าสงสัยก็จ่างชัดกับสายตาเรากับกลางวันทุกคนของคณะพักยืนถือปืนระวังเตรียมพร้อมตามจุดต่างๆคนละมุมสุดแต่ว่าใครจะโผล่มาจากซอกไหน ตัวที่เราพินยิงยังมองไม่เห็นเพราะหล่นบังรับมุมของสายตาที่จะลงไปจากเบื้องสูงตัวที่จันทรยิงก็ล่วงหายไปเช่นกันแต่คงเห็นแต่ล่างที่ตกเป็นเป้ากระสุนของบุญคำดูเหมือนจะเป็นกระสุนนัดแรกที่ระเบิดขึ้นนั่นแหละที่ความหน้าคาโคถินอยู่ห่างไปเพียงไม่เกินสิบว่าบุญคำขยับตัวจะตามลงไปแต่เราพินคว้าไหลไว้ช่างมั่นปล่อยทิ้งไว้นั่นแหละอย่าลงไปตอนนี้เป็นอันขาดมันไต่ขึ้นมาทางถ้ำที่นายนอนพักอยู่ดีที่บุญคำเฝ้ายามดักปากทางไว้และตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงก้อนหินลั่นเลยกดต ถ้ามาถึงตัวบุญคําขอนบุญคําก็คงพอหมุนไปรอบๆเหมือนอย่างลูกหาบสองคนและต่อจากนั้นมันก็คงจะเข้าไปเยี่ยมนายตรงถ้านั่นแม่นี่ขนาดเสกให้ควายธนูมันเฝ้าไว้แล้วทีเดียวนะไอ้ผีป่าป่าช้าแตกนี่ก็ยังฝ่าอาคมขึ้นมาได้เสียงแกบน่นอู้เกาหัวจู่ปากยังจิกจักรับพินกับลิมฝีปากเบาๆพยายามจ้องมองไปยังลานเบื้องล่างหน้าผาอันเป็นที่พักในตอนกลางวันเขารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติผิดแปลกไปเพราะมันแลโล่งผิดตาไปมาก เนื่องมาจากก่อนที่จะไต่ขึ้นมาอาศัยนอนอยู่บนถ้ำราวนี้เห็นราวที่พวกกะเรียงขึงแขวนเนื้อช้างที่แล่เป็นริ้วๆไวเป็นสายระโยองระยางเต็มไปหมดเขาหันกลับขึ้นไปข้างบนร้องตะโกนบอกให้ยิงลูกอีกลูกหนึ่งเพราะลูกแรกนั้นให้ความสว่างได้นาทีเดียวกับดับมืดลงตามเดิมพอขาดเตียนของเขาก็มีเสียงปังของพรุสัญญาณอีกหนึ่งความสว่างสวัยของราวไพลเบื้องล่างก็ปรากฏขึ้นอีกดูนั่นระพินคริสร้องแหลมชื่อมือไปเบื้องล่างจองพันรีตาลงราวแขวนเนื้อช้างจํานวนมากที่กะเรียงแล่แขวนไว้เตรียมเป็นเสบียง บัตนี้ถูกมือลึกลับกระชาก ค, คาลงมากองอยู่กับพื้นหมดสิ้นและเนื้อที่หวังไม่ว่าจะเป็นอาหารได้ก็ถูกเยียบขยี้ลงไปกองคลุกกับฝุ่นดินหมดเป็นการจงใจเจตนาที่จะทําลายเสยสิ้นราวป่าทึบชื้แวดล้อมบริเวณลานดินเบื้องล่างไว้อยู่ยุบยาบแต่มองไม่เห็นตัวยอดไมเ้เล็กๆที่ปกคลุมอยู่โอนเอ็นไปมาไม่มีปัญญาโคดจารจํานวนหนึ่งกําลังพละหนีราวป่าไปก่อนที่พวกมันตัวใดตัวหนึ่งจะถูกมองเห็นและตกเป็นเป้าปืนของฝ่ายที่ยืนอยู่เบื้องบนเสียงทางด้านอื่นๆที่มองเห็นภาพเช่นกัน ก็ลงเน้นกันขึ้นมาอย่างเกลี้ยวกล่อโกโรธแค้นตัดเท้าบุญคําอาปาก ห, าหวเบิกตาโตจ้องลงไปยังลาวแขวะเนื้อร้องว่าเสร็จนายไอ้ช้างอา ก, กับไอ้พีหาพวกนี้ดอดมาขยี้เนื้อที่พวกเราแขวนทําลายเสียหมดละอุตส่าลงแรงแล่เนื้อพึงลงไม่เต็มลนไม่มีเหลือพอแต่อาศัยกินสักมือชิ้นเดียวมันเอามาคุกฝุ่นหมดเลยทิ้งลาทึ้งลาวขาดหมดชิบหายโคตรพอโคตรแม่มึงประโยคหลัง กายพลุสว่างยังเหลือกําลังแขนพรานใหญ่เงียบเสียงยกหลังมือขึ้นเช็ดริมฝีปากใครต่อใครในมุมต่างๆจะพูดกันแสบเช่นไรเขาคงยืนนิ่งมือกําไรเฟิลแน่นจนกระทั่งแสงพลุลูกที่สองค่อยๆลีและดับลงคริสเข้ามาจับแขนเขาไว้กายหลอนสันน้อยๆระพินไปเรากลับขึ้นไปบนถ้ถาเถอะครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรแล้วฉันไม่เข้าใจเลยทําไมมาถึงเจตนาที่จะจองล้างจองพรานเราถึงขนาดนี้ แล้วนี่มันแปลว่าอะไรนี่ไอ์มอนสเตอร์แอบไต่หน้าผาขึ้นมา3ตัวส่วนข้างล่างช้างจํานวนนึงมาทําลายสเสบียงของพวกเราที่อุตสาห์ทำไว้เช่ทั้งหมดอย่างเงียบๆจอมพลานหัวเราะเกรียมๆในลําคอ3ตัวที่ไต่เงียบขึ้นมาก็เพื่อจะหาโอกาสฆ่าเราในตอนหลับยังไงละ่ะแต่ก็ถูกต อ, อกด้วยลูกปืนกระดิ่งลงไปหมดแล้วส่วนที่มันเอาช้างมารื้อเหลาตากเนื้อขี้ยี่เช่นทั้งหมด ก็หมายถึงว่ามันไม่ต้องการให้เนื้อช้างพวกมันได้เป็นสเสบียงของพวกเราอีกต่อไปโชคดีมากที่คนของผมตื่นทันการก่อนที่มันจะถึงตัวเสียงเชิดบูก๊กกูเรียกถามความมาว่าวู้ล้พินคริสทางด้านโน้นมีอะไรอีกไหมจะให้ยิงพวกอีกหรือเปล่าไม่ต้องแล้วครับพวกมันไปกันหมดแล้วผมกําลังจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ร้องตอบไปเช่นนั้นและพรานใหญ่ก็ถอนใจเฮือกพยักหน้าชวนคริสให้ไต่ทางกลับขึ้นไปยังลายผาด้าหน้าถา้าตามเดิม บุญําตามมาด้วยซึ่งพอมาถึงพวกของสเตอร์ลีทั้งหมดรวมทั้งอีก3าพรานของเขาเข้ามาชุมนุมอยู่ในซอกทําแคบแคบอันเคยเป็นที่พักนอนของเขาก่อนแล้วเต็มแน่นไปนหมดรพินสังเกิดและเสยให้ตะโกนบอกพวกเกรเรียงตะเคียนทองทั้งหลายที่จุดใต้กันอยู่สลอนตามโพรงถ้าสูงๆตําๆทั่วบริเวณให้กลับเข้านอนได้และให้นายตาโผล่หน้าลูกหาหาไม้เท่าที่จะหาได้มาสมไฟหน้าถ้าของพวกนายจ้างให้สว่างโชดขึ้นอีกตัวเขาเองหย่อนกายลงนั่งบนโขดหินหน้าถ้า ซึ่งพวกไหนจางอันประกอบด้วยสแตนลีย์คีตอิซซาเบลและเชอร์บูตยืนลายล้อมพวกนั้นพูดกันเองแซดและมองมาทางเขาเป็นตาเดียวมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วครับแม้ว่าจะใช้ความพยายามสักขนาดไหนนี่เป็นรายการตื่นเต้นกลางดึกเล็กๆ น, น้อยเท่านั้นเองหากคุณกลับไปทักผ่อนได้ตามเดิมแล้วรับรองว่าจากเวลานี้จนถึงสว่างจะไม่มีอะไรอีกส่วนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เขาบอกกับทุกคนใครเป็นคนยิงขึ้นครั้งแรกหัวหน้าคณะถามบุญคําครับนัดที่สองเป็นของจัน ขณะนั้นมันไตคืบคลานขึ้นมาเกือบจะถึงที่ทั้งสองนอนดักเฝ้าอยู่สําหรับบุญคํากับจันวางใจได้เสมอเพราะนอนไวมากพวกนั้นซักถามความตื่นเต้นกันอยู่อีกสองสามประโยคแล้วก็ทยอยกันกลับเข้าไปนอนสําหรับอิสเบรกรที่จะจากไปก็ถามเขาว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างเกือบปกติดีเหมือนเดิมและผมนอนพักเต็มที่มาแต่หัวค่ำและได้น้ําเกลือช่วยขอบคุณมากเบลถ้าคุณจะขอบคุณสําหรับคืนนี้ก็ควรจะขอบคุณคริสที่เข้าพยาบาลคุณอย่างเต็มที่ เมื่อกี้นี้ฉันเข้าไปตรวจดูถุงน้ําเกลือแล้วนะเดืออีกไม่กี่สิบซีซีเท่านั้นมีรอยกระชากอาอกคงอีตอนที่คุณตื่นพรวดพลรราดขึ้นมานั่นแหละประเดี๋ยวก่อนนอนให้คริสแทนให้ใหม่นะใส่เข้าไปเชื้อให้หมดอย่าเหลือทิ้งไว้ Good night ว่าแล้วแม่ผมแดงก็ตกที่ไหล่เขาแล้วเดินพระตามหลังพรกพวกไปคงเหลแต่เชิดวุษนาที่นั่งลงข้างๆและโชยอากาศตอนที่คริสเข้าไปตรวจสายน้ําเกลืออันหลุดจากแขนเขาอย่างกระทันหันกระซิบ ส, สวยชิบหายเลยผมประพินเหลือบดูหน้ารถนกไลฟ์เฟิร์นลงทําไมนะครับคุณบุษ กำลังมันอยู่ทีเดียวไอ้ผีนรกพวกนั้นก็ทําผิดเสียงปืนดังตู้มสวรรค์ร่มกําลังฝันหวานอยู่หรือครับเออทําเป็นไม่รู้เรื่องไปได้เชิญวูฒตบเข่าเขาแรงๆตอนสี่ทุบไอคิดเบาตัวไปแล้วกับเบลแอบจูงกันเข้าไปหลบอยู่หลังกองสัมภาระสัญญากันไม่ว่าภาคดึกเป็นรอบของผมอุตสาบอกว่ากลัวผีชวนออกมาเป็นเพื่อนให้คอยถือปืนคุมไว้แกล้งทําเป็นท้องเสียซอกหน้าทําที่ผมนอนมีหินเกลี้ยงเอ็นอยู่พอดี เลยปล้ำเสี้ยตรงนั้นทีแรกก็ดีดดิ้นไม่ยอมแต่ประเดี๋ยวเดียวก็ยืนพิงผนังหินให้หาอินเสิร์ตเข้าไปได้ครึ่งเดียวเท่านั้นเสียงปืนก็ระเบิดตูมถอดออกมาแทบไม่ทันสองสาครั้งมาแล้วผมไม่เคยบรรลุเป้าหมายแท้จริงเสียทีล่มเสียก่อนออกทะเลบ้างแม่จ้าประคุณแหกปากร้องเสียก่อนบ้างจะบ้าตายพลานใหญ่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบรูปหลังนายทหารรุ่นน้องอย่างปลอบใจ เหลืออีกอย่างน้อยก็6ชั่วโมงก่อนสว่างพยายามใหม่สิครับโธ่พยายามอะไรเล่าลงเกิดเรื่องตูมตามขึ้นแบบนี้แม่นั่นก็ผมไม่มีอารมณ์อีกแล้วผมขืนขยิกขยิกก็มีหวังถูกยันด้วยเท้าเท่านั้นเบลไม่ได้หรอกบ้าๆบอๆเอาแน่ไม่ได้ไม่สบอารมณ์ไม่ถีบเอาง่ายๆไอ้คันได้จังหวะเหมาะแม่เปิดช่องทางให้แล้วมันก็ไม่มีฝีมือเองกลายเป็นพญานาคหมดฤทธพุนธพิษนอกทำไปเส้นอีกผมแย่จริงๆขาดเรื่องนี้ไม่ได้ มาเดินป่าเปลี่ยวๆแบบนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกคืนนี้มีหวังต้องกลับไปจ่ายตลาดนัดสนามหลวงไม่นอนไม่หลับระพินหัวเราะกึกกึก อ, อ, อ, อดทนหน่อยครับคงจะมีจังหวะพญานาคไม่หมดติดและสามารถพ่นพิษในถ้าเข้าสักโอกาสหนึ่งหลอกไม่ช้าก็เร็วเรื่องแบบนี้เบลเองก็ชอบอยู่แล้วเพียงแต่หาโอกาสให้สอดคล้องเท่า น, นั้นเอางี้ไม่ล่ะเดี๋ยวคุณนอนกับผมอ่าอย่าพูดเล่นนะจริงๆผมจะตั้งทําเป็นนอนหลับสนิทเสีย รับรองในถ้ำที่พนนอมอยู่กับคริสนี่ไม่มีอะไรมาทําลายบรรยากาศแน่คริสชอบคุณไม่ได้ชอบผมนิสัยของคริสก็ไม่เหมือนเบ ล, ลผมว่าถ้าผมทําอะไรบ้าๆแทนที่จะถูกทิปอาจถูกลูกปืนเลยแม่ขนทองนี่เล่นด้วยไม่ได้หรอกถึงขนจะเป็นสีทองแม่ก็ไม่ดอกทองเลยผมดูท่าทีมานานแล้วคริสไม่ได้ชอบผมหรอกครับอาจเป็นเพราะสงสารด้วยมิฉะนั้นก็พยายามเอาใจเพราะเห็นว่าผมเจ็บป่วยเท่านั้น และถึงจะชอบก็ไม่ได้ไหมายความว่ารักและเรื่องอย่างนี้คุณวุฒิก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าฝรั่งมันไม่ค่อยจะถือหรอกมันสุดแต่โอกาสและจังหวะเท่านั้นไล่เบลนั้นคุณวุฒสบายอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาเหมาะเท่านั้นส่วนคริสผมยินดีลีทางให้หรือจะให้สนับสนุนทางใดก็ยินดีทุกทางขออย่างเดียวอย่าถึงกับให้ต้องจับมัดมือมัดเท้าให้คุณกัแล้วกันมันอนกับผมที่นี่คืนนี้ปูทางไว้ก่อนมันจะเป็นโอกาสแรกที่คุณอยู่ใกล้คริสชีสองต่อสอง โดยไม่มีใครกันท่าประเดี๋ยวผมก็หลับแล้วคุณมุดนะได้เปรียบจะตายลูกก็รอพ่อก็รวยเฮ้ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นอย่างที่กรอนพาไปนะครับจะบอกให้ก็คงจะเป็นเพราะขาดคุณสมบัติข้อหลังนี่เองกระมังผู้หญิงถึงไม่ค่อยชอบยังไม่ทันจะจบประโยคเขาดีคริสรติน่าเพื่อตรวจสายน้ําเกลือและจัดที่นอนโดยปัดอันปัดเปยุ่งยิงเพราะเราพินเพ่นขึ้นอย่างพรวดพราให้เรียบร้อยตามเดิมก็เดินตรงมาถึงทั้งสอง คนป่วยนอนได้แล้วเติมน้ำเกลือที่ค้างไว้ตามเดิมจนกว่าจะหมดตามคำสั่งของหมอโชคดีมากที่เพนพรวดพลาดออกไปเมื่อกี้นี้ยังทรงตัวได้ดีไม่ตกเขาตายใชก่อนเสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้นมาจากบุญคำใช่ไม่ก้าฉันไม่ตกใจสักเท่าไหร่หรอกจะ ต, ตกใจตอนที่คุณเพนลุกขึ้นมาเสียมากกว่ากลัว จ, จะกลิ้งตกเขาแต่พินลุกขึ้นเดินเข้าไปตามคำสั่งของหล่อนโดยดีแต่ถือโอกาสช่วยเข้ามือเชอิดวุฒให้เดินตามเข้าไปด้วยครั้งแรกคริสก็ไม่สนใจอะไรนะ พอเขาเองตัวลงนอนที่เก่าก็จัดการแทงเข็มน้ำเกลือตามเดิมพอเสร็จสับหมุนตัวจะลงนอนบ้างก็เห็นเชิดวุฒิครึ่งนั่งครึ่งนอนครึ่งนอนอยู่ทางด้านที่หลอนจะนอนอ้าวเข้ามาในนี้ทําไมละวุฒิแยกไปนอนที่ของตัวได้แล้วอย่ามาชวนเราพินคุยอะไรอีกเลยอยากจะคุยอะไรก็คุยพรุ่งนี้เขายัางเป็นคนป่วยอยู่นะคริสผมชวนคุณโชิดวุฒิเข้ามานอนเป็นเพื่อนที่นี่เองแหละเราพินบอกขณะที่ผ้าชิสะลงกับเต้หลังแทนหมอนตามเดิม เห็นบอกว่าในถาน้าโน้นเบียดกันแน่นจนขยับตัวไม่ได้น้ำภาระาก็กินเนื้อที่เต็มไปหมดที่นี่ยังพอมีที่ว่างได้ชวนให้มานอนด้วยกันที่นี่แม่ผมทองกระตุกควักคิ้วนิดนึงจ้องหน้ารพินต่เห็นเขาหลับตาลงอย่างง่ายๆจึงหันไปทางเชิดวุญผู้อาปากขาวแล้วเหยียด ต, ตัวลงนอนข้างๆหน้าตาเฉยตอนนั่งกอดขาและเอื้อมมือมาพลิกไหลเชิดวุญที่ทำไปนอนตะแคงหันหลังให้เพื่อให้หันหน้ามาจ้องดวงตาด้วยแววค้นหาจะนอนที่นี่ด้วยหรือ ท้าแม่ผมทองน้องยาไม่รังเกียจเชิดบุ๊ดเล่นสัมนวนยี่เกและโอบแขนไปตวัดรอบตะโพกของคริสผู้ยังนั่งอยู่หล่อนไม่แสดงขัดขืนอย่างใดแต่ยังมองตาอยู่เช่นนี้น้องยาแปลว่าอะไรจะแตกฉานภาษาไทยซักขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ภาษาของหล่อนรัพินผู้นอนฟังอยู่พยายามกลั้นหัวเราะเต็มที่น้องยาก็แปลว่าสิสเตอร์เมดิซินยังไงล่ะวอดหล่อนร้องเสียงสูงเปล่าพูดเล่นนะ่ะคุณรังเกียจไหม ถ้าผมจะนอนเป็นเพื่อนระพินที่นี่สักคนทำไมกลัวฉันจะเอายายาตายฉี่ให้เขางั้นหรือหรือว่าฉันคนเดียวคุ้มครองเขาไม่ได้ระหวังที่เขาหลับผมรู้ว่าคุณปกป้องคุ้มครองและพยาบาลเขาได้อย่างวิเศษสุดจะให้ผมนอนที่นี่ด้วยสักคนไม่ได้หรือทันใดนั้นเองเงาของใครคนหนึงก็โผล่เข้ามาทางปากทําอิสซาเบลนั่นเองเดินตรงเข้ามาที่เชิดบุษต่อมลงฉุดแขนกระชากขึ้นอย่ารบกวนคนเจ็บบุษกลับไปนอนที่เดิม ไม่ไปจนกว่าคุณจะให้สัญญา่อนสัญญาอะไรไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งสิ้นห้ามแหกปากลงเลนขึ้นกลางดึกผมมันขี้ลำคาญอิสเบลยิ้มมุมปากพยักหน้าเ้าตกลงเชิดวุดยิ้มออกมาได้คว้าปืนรีบลุกขึ้นโดยเร็วและเดินตามหลังอิสเบลต้อยๆ ย, ย, ยไปโดยดีคริสถอนใจยาหันมาทางระพินผู้ยังหลับตาเหมือนจะเข้าสู่นิทราแล้วกล้มลงไปชิดอย่าแกล้งทาเป็นหลับเร็วนกะตอบคาถามของฉันก่อน ไม่ได้แก้งหลอกลับจริงๆติง่ อ, อนเอามือคีบขนตายาของเขาแล้วกระตกเบาเบอ้อคนหลับพูดได้งั้นหรือหลับนอกแต่ตื่นในยังไงล่ะเสียแรงนะระพินเสียแรงอะไรเสียแรงที่ฉันไว้วางใจและมีความปรารถนาดีต่อคุณแต่คุณกลับมีเล่ห์เหลี่ยมกับฉันนอนต่อว่าแผ่วเบาแล้วก็เอนตัวลงนอนงายตาลืมโพรงดูเพดานหินย้อยในถ้าไม่ได้ขยับเข้าไปชิดด้วยให้ร่างกายส่วนใดแต่ต้องถูกตัวเขาอีกเลย บนนอกชานบ้านพักของระพินที่หนองน้ำแห้งเสียงจุด300เวเทอร์บีแม็กนัำที่แผดเปรี้ยงเกิดกล้องขึ้นในห้องซึ่งดารินหายเข้าไปทำให้ทุกคนที่นั่งรวมกลุ่มปรึกษากันสะดุ้งสุดตัวร้องลั่นออกมาเสียงปืนดังออกมาจากห้องน้อยเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนเพนเพิ่มกันขึ้นพร้อมกันหมด แล้แต่นานอินและนายอัมพลเชษฐาอนุชาและชายันกระจงกันคนละสองสมก้าก็เข้ามาถึงห้องนอนที่เห็นน้องสาวคนแรกของตระกูลหายเข้าไปแล้วผลักประตูผางถลันเข้าไปพร้อมกันยังตกใจขีดสุดสิ่งที่เห็นในเงาตะคุ่มของห้องที่ดับไฟมืดนั้นดารินบาราริสยืนอยู่ที่หนาา้าต่างยังประทับไรเฟิลอยู่ใครคนหนึ่งที่เพนเข้ามามีไฟฉายติดมือเข้ามาด้วย จึงฉายสว่างจ้าและใครคนหนึ่งก็กระโดดเข้าไปที่ตะเกียงนีออนแบตเตอรี่ตั้งอยู่บนหัวอยู่บนโต๊ะริมเตียงภายในห้องนั้นกดสวิตช์ให้สว่างนวนขึ้นน้อยมีเสียงเรียกประสานพร้อมกันอีกจากพี่ชาย2และเพื่อนชายหนึ่งราชกุลสาวตบลูกเลื่อนขึ้นและกระชากถอยหลังปลอกกระสุนที่เพิ่งยิงสดๆร้อนๆกระเด็นลงมากริ้งอยู่กลางพื้นห้องริมเตียงนอนตาของเรายังคงมองจับนิ่งไปยังความมืดเบื้องนอกอยู่เช่นนั้นและไม่ได้แสดงความสนใจเลยว่าบัดนี้เบื้องหลังรอบตัวพี่และเพื่อนตลอดจนพรรคพวกอื่นๆเพนเ จะอยู่ในสภาพเช่นไรบ้างเชษฐาพุ่งเข้ชิดตัวน้องสาจับไล่ไว้แน่นสํารวจสีหน้าเขมิงในขณะที่อนุชาและชายันช่วยกันฉายไฟกระดาษออกไปยังพื้นเบื้องล่างและของบ้านพาักทั้งในแนวสูงและแนวต่ําก็มองไม่เห็นอะไรผิดปกติทั้งสิน้นเกิดอะไรขึ้นนี่น้อยยิงอะไรพี่ชายการกืบจะถามกือบจะเป็นเสียงตะโกนดาเรนนิ่งอยู่ใจเต็มและตอบอย่างชนิดที่ใครไม่คาดไม่ถึงเปล่าไม่ได้ยิงอะไรหรอกไม่กลุ้มกรุๆๆ้มรำคาญขึ้นมาก็เลยทดลองไรเฟิลกระบอกเก่าของน้อยเล่นงั่นเอง แล้วก็ยิงส่งเดดเออกไปไม่มีจุดหมายหรอขอโทษด้วยที่อาจทาให้ทุกคนตก อ, อกตกใจเอ๋ฉันว่าเธอจะฟุ้งซ่านใหญ่เสียแล้วนะ น, นอ้อยอยู่บอกว่าอยู่ยกหย ก, กก่อนจะเข้ามาในนี้ว่าให้กินยานอนหลับและนอนเสียชายยันพูดเอตโตโรลันเราคอยหลังเข้ามาในนี้ได้อึดใจเดียวเสียงปืนก็ดังอย่างกระฟ้าผ่าใจหายใจคว่ำหมดนึกว่าทําเป็นลั่นหรือว่าระเบิดขมองตัวเองเขาให้แล้วหรือ ย, ยังไงน้องสาวคนแรกของตระกูลยิ้มแแค้นไม่มีใครอ่านความหมายของรอยยิ้มนั้นได้พูดเบาๆอย่างไร อย่างคนไม่สนใจใหญ่ดีกับสภาพอกตกใจของพรรคพวกทุกคนว่าขอโทษอีกครั้งก็นึกว่าฉันทําปืนลั่นก็แล้วกันแล้วหล่อนก็หยิบไฟฉายสองไปที่ต้นไม้ตายซากอันเป็นที่เลือ้อยพันุของเถาฟักข้าวต้นที่เป็นเป้านั้นรอยกระสุนเจาะทะลุผ่านปรากฏเห็นขาวเวอร์เพราะเปลือกแห้งตําแหน่งนั้นของมันปลืวยหลุดออกไปทั้งกระบี่คุณหญิงครับผมว่รงงรณะบกกระนับใจไว้เสียบ้างเถอะผมรู้สึกว่าคุณหญิงกําลังวุ่นวายใจเต็มที่แหนมพลพูดนด้วยเสียงสั่นเครือ หน้าเขายัางขาวสิเพราะความตกใจเสียงปืนมัตติกี้นี้อยู่นานอินก็อ้าปากหวอเมื่อโผลหน้าเข้ามาในห้องบนงึมงิงฟังไม่ได้สักไม่มีใครสามารถเข้าใจอะไรได้ทั้งสิน้นอนุชาและชายยันทําท่าจะตั้งคำถามลุกวอยวายต่อไปแต่พี่ชายใหญ่ ย, ยกมือขึ้นพูดเรียบเรียบเอาละไม่มีอะไรหรอกทุกคนออกไปนอกห้องได้แล้วปรึกษาหาหรือจัดข้าวของอะไรไปตามเดิมท่านจะดูแลน้อยเองทุกคนปฏิบัติตามคําสั่งของหม่อมราชวงศ์เชิดาภายหลังจากบนอะไรกันแซ่บไปหมดอึดใจต่อมาภายในห้องนั้น ก็เหลือเพียงน้องสาวและกับพี่ชายใหญ่ตามลําพังชเชษฐาคงจ้องหน้าดารินด้วยประกายตาลึกอยู่เช่นนั้นแล้วส่องไฟฉายไปยังตําแหน่งต้นไม้ตายสร้างนั้นอีกครั้งอย่างพิจรารณาเขาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นได้ว่าดารินยิงไปยังที่ไหนกับสองนาทีเต็มๆพี่ชายน้องสาวไม่ได้พูดคาใดกันเลยคุณชายกลางดับไฟในห้องให้มืดลงเหมือนเดิมแล้วฉายไฟไปยังต้นไม้ต้นนั่นอีกจากนั้นก็ดับไฟฉายลงยืนพิจารณาเงียบๆในความมืด เขาทำสลับกันเช่นนั้นสองสาครั้งก็ไมเห็นว่าจะเป็นภาพอะไรทั้งสิ้นนอกจากเงาตะคุ่มของลําต้นและเถาวัฟักเท่าที่ขึ้นพันเป็นซุ้มและพี่ชายใหญ่ผู้สุขุมรอบครอบรู้จิตใจของน้องสาวคนเล็กมากที่สุดก็เปิดตะเกียงนีออนแบตเตอรี่ขึ้นตามเดิมพยักหน้าเรียกดารินผู้ยืนนิ่งอยู่ริมตู้ปืนให้เข้ามาใกล้โยโอบไหลไว้ดึงให้มาหยุดยืนเคียงคู่คนที่หน้าต่างบานนั้นน้อยน้ําเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาพี่พิชิตมันอย่างพวกนั้นหรอกนะคือไม่คิดว่าน้อยเกิดบ้าคลั่นนขึ้ และยิงไปที่ต้นไม้ตอนนั้นไหนบอกพี่ซิน้อยเห็นอะไรหญิงสาวกล้ามรึืนอะไรบางอย่างลงลำคออันแห้งผากฝืนยิม้มเชษฐาสังเกตเห็นว่ามือของน้องสาวยังสั่นรุอยู่รลกๆก็บอกแล้วยังไงเขาว่าน้อยลองทางปืนเพียงแต่ผิดกาลเทศะไปหน่อยเท่านั้นคือไายิงเอาในเวลาเช่นนี้ทำให้ทุกคนตกอกตกใจหล่อนพยายามทาเสียงให้เรียบเป็นปกติที่สุดปิดลูกเลื่อนเข้าที่รถนกลงและถอนใจยาว วางปืนคู่ชีพกระบอกนั้นลงบนที่นอนเดินไปนั่งประสานมืออยู่บนเตียงเชิดาเขามานั่งข้างๆจับไหล่ทั้งสองให้หันมาเผชิญหน้าทําไมต้องปิดพี่โดยพี่รู้ดีว่าน้อยต้องมีเหตุผลแม้ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่คนอื่นๆไม่เข้าใจหรือรับฟังไม่ได้แต่พี่ก็ฟังได้เสมอบอกพี่ตามตรงดีกว่าขณะนี้เราอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นไม่มีใครราชสกุลสาวโผก็กอดขอพี่ชายใหญ่ไว้แน่นแล้วซุกหน้าศุและซุกหน้าลงกับไหล่ ร้องไห้เงียบๆเช็ดทารูปแผ่นหลังพราปลอดโยนอยู่นานหล่อนจึงบอกเสียงเครือว่าตาน้อยฝาดค่ะแต่มันฝาดซ้ำๆซักๆหลายครั้งติดต่อกันยืนอยู่ที่หน้าต่างนั้นมองออกไปในความมืดเห็นอะไรก็ไม่ทราบรูปร่างเหมือนเสียงของหล่อนขาดหายไปเหมือนเหมือนอะไรไอ้นักบวชล้นมันไตรมันไตรฮะมันแน่ๆหรือมีเช่นนั้นก็เงาภาพหลอนของมันที่ยังติดตาน้อยอยู่ น้อยเธอก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันตลายพี่นาฏไปแล้วกระพินกับบุญคาําเผาซากของมันกลายเป็นทิศเท่าพลไปในครั้งนั้นถ้าน้อยรู้น้อยเข้าใจเช่นนั้นแต่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกับว่าน้อยสร้างภาพของมันขึ้นมาเองโดยสังหอนว่าวิญญาณของมันกลายยังไม่สลายไปผุดไปเกิดหากยังคงวนเวียนผูกอาคตาิพยาบาทอยู่มันมายืนอยู่ที่นั่นหันชี้มือออกไปทางนอกหน้าต่างปวักมือเรียกน้อยใช้ไฟก็หายไปดับไฟมืดที่ไรเห็นทุกทีแล้วก็มีเสียงเตือนอย่างประหลาด ของอะไรสักอย่างหนึ่งแววมาจากจิตเหมือนพังประสาทหูน้อยไม่แน่ใจบอกกับน้อยว่าเราพินขณะนี้ก็กําลังเผชิญกับอันตรายลี้ลับชนิดนี้อยู่ความรู้สึกของน้อยเมื่อต่กิดแทบจะบ้าตายน้อยก็เลยยิงออกไปทิ่ภาพนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้ยืนต้นตายซ่าและเถาต้นฟักข้าวที่ขึ้นพันสรุปก็คือตาก็ฝาดหูก็เฟื่อนไปชายยันกับพี่กลางผู้ถูกและน้อยฟุ้งซ่านแต่เองแท้แท้เชิดทาถอนใจเฮือกเต็มไปด้วยความห่วงและสงสาร สภาพทางจิตอั่อนแอของน้องสาวเป็นที่สุดรุ่งนี้เราจะเดินทางติดตามเขาแล้วและนานอินก็ให้คํำรับรองว่าจะต้องตามจนพบให้ได้เชื่ออะไรพี่สักอย่างหนึ่งได้ไหมถอนพยักหน้ากรีดนิ้วเช็ดน้าตาและสะบัดออกไปน้อยเชื่อพี่ใหญ่ทุกอย่างคะ่ะวาเลียมอยู่ไหนแทนคําตอบดารินล้วงกระเป๋าเสื้อกลุมหยิบถุงพลาสติกเล็กๆที่บรรจุยาเม็ดสีเหลืองแบนดกลมขนาดเม็ดเล็กๆขึ้นมาก่อนพบติดตัวอยู่แล้วกี่มิลลิกรัมห้าค่ะ พี่ชายใหญ่เดินเวรินน้ำจากเหยือกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะลงแก้วครึ่งหนึ่งแล้วถือกลับมาส่งให้พี่ไม่ใช่หมอแต่เมื่อตัวหมอเองเกิดป่วยขึ้นมาเสร็จแล้วเช่นนี้พี่ก็ต้องเป็นหมอแทนให้เอาละกินเซนี่น้ำอย่างน่าสมเพชที่สุดสัญญแพทย์สาวมือเกียดนิยมหย่อนยารังับประสาทเข้าปากและจิบน้ำกลืนเข้าไปเอ็ตัวลงนอนตามคาสั่งของพี่ชายช้าๆในลักษณะงายเหยียดยา เชิฐาคลี่พระหม่มออกคลุมให้จากปลายเท้าจดอกภาวนาไปพุโทโธพุโทโธซ้ำๆอยู่เช่นนี้ประเดี๋ยวน้อยจะหลับเองหลับอย่างสนิทและไม่ฝันร้ายอะไรอีกเลยพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาด้วยความแช่มชื่นสดใสและเมื่อนั้นแหละงานสำคัญของเราจะเริ่มต้นพี่ใหญ่คะืน้อยจะขออะไรพี่ใหญ่บ้างว่ามาสมมติแม้จะเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนตแห่งความหวังถ้าหากว่า ว่าไปให้จบกระแสะความอย่าอั้มอึ้งดูถ้าหากว่าเราเอาตัวระพิน์กลับคืนมาได้น้อยไม่ยอมที่จะให้เขาอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่จะเอาตัวไปด้วยน้อยอยู่ที่ไหนเขาต้องอยู่ที่นั่นพี่ใหญ่จะรังเกียจไหมคะเชิดถายิ้มขรึม ข, มขึมจับปลายทางน้องสาวบีเบาๆตกลงน้อยโดยใจจริงแล้วพี่ไม่เคยคิดรังเกียจคนคนี้เลยไม่ว่าสถานภาพทางสังคมเขาจะแตกต่างกับเราสักแค่ไหนแต่น้ําใจของเขาสูงสุดเท่าที่มนุษย์สามัญคนนึงจะมีได้ อย่าว่าแต่น้อยเลยถึงพี่เองก็ประทับใจมากมิฉะนั้นก็คงไม่ลงทุนด้วยชีวิตเสี่ยงมาในครั้งนี้หรอกดารินคว้าเอามือพี่ชายไปกอดแน่นยิ้ทยมทั้งน้ําตาซึมและพี่กลางล่ะคะเขาจะมีความคิดเหมือนพี่ใหญ่หรือเปล่าพี่แน่ใจว่าถึงกลางเองก็ย่อมจะมีความรู้สึกชนิดนี้ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าพี่เลยกลางนั้นความจริงตายไปจากโลกภูมิศาสตร์นี้แล้วแต่เขาเกิดใหมรร่เพราะรพินไพรวัน เขาอาจผงผางวางท่าเป็นนั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วกลางยินดีต้อนรับประพินเป็นเครือญาติก่อนพี่เสี้ยด้วยซ้ําหลอนสูดลมหายใจลึกสีหน้าเช่มชื่นมีสีเลือดขึ้นทันทีจากความซีบเซียวเป็นความผิดของน้อยหรือเปล่าคะที่รักชายคนนั้นจนหมดหัวใจไม่ใช่ความผิดแต่มันควรจะต้องเป็นเช่นนั้นถ้าน้อยเป็นคนมีหัวใจแล้วเป็นความผิดของน้อยหรือเปล่าคะที่ภายหลังจากเรากลับจากเทือกทศิวะแล้ว น้อยกลับปล่อยทิ้งเขาไว้ที่นี่ตามลําพังเนื่องมาจากคิดไปไม่ถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแทะแยกเข้าไปเสียจากน้อยก็ไม่ใช่ความผิดอีกนั่นแหละเป็นแค่เพียงประมาทชะล่าใจาไปหน่อยเท่านั้นซึ่งพี่ทั้งสองคงจะไม่อยู่ในฐานะที่จะแนะนําอะไรเธอในขณะนั้นได้เลยเพราะเห็นเธอมีที่ถ้ากระบิดกระบวนเล่นองค์เอาฉั้นเอาเชิงอยู่เหมือนกันกระพินจะเข้ากับพวกเราได้ไหมคะในสังคมของชาวเมืองทําไมจะไม่ได้ถ้าเขาแน่ใจว่า น้อยรักเขาจริงต้องการเขาจริงและพี่ทั้งสองไม่ลังเกียจเขารับพีทเป็นคนมีการศึกษาสูงผ่านโลกที่จเจริญมาขีดสุดมาแล้วเขาไม่ใช่คนด้อยพัฒนาเว้นไว้แต่จะแกล้งทาตัวให้ด้อยไปเช่นนั้นเองเราประชดประชันเครียดแค้นสังคมหน้าไหว้หลังหลอกดารินวราฤทธิ์หลับตาลงพึมพำถ้าเช่นนั้นน้อยสบายใจแล้วคะ่ะและไม่มีอะไรที่จะคิดอีกทั้งคินและคืนนี้คงหลับได้อย่างสบายที่สุด ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ใหญ่พบกันพรุ่งนี้เช้าอดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์ตบที่ศีรษะน้องสาวเบาๆแล้วหลีตะเกียงให้เดินแผวเบาออกไปจากห้องดารินพนมมือขึ้นจดสวงอกภาวนาสวมดมนต์มีชามีนานหล่อนก็ฝอยหลับสนิทไปด้วยมือที่ประสานกันอยู่บนสวงอกเช่นนั้นครั้นแล้วราตรีนั้นก็ผ่านพ้นด้วยวรุณด้วยอรุณรางที่ย่างเยอนเข้ามายังบริเวณหุบผาตะเคียนทองคริส ผู้จัดว่านอนไหวและตนเองก็มีกังวลที่สุดรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็พบว่าระพินไพรวันหายไปจากที่นอนของเขาเสียแล้วถุงน้าเกลือยังแขวนอยู่กับเสาแต่หมดเกลี้ยงและเข็มก็ถูกถอดทิ้งไว้พร้อมกับสายยางแสดงว่าเจ้าตัวถอดออกเองความสว่างสีโทเทาเพิ่งจะส่องลอดปากโพรงถ้าเข้ามาเท่านั้นและเป็นม่านมัวไปด้วยละองหมอกเรนได้ยินเสียงตะโกนผู้จากันอยู่ด้านนอกระหว่างพวกพรานพื้นเมืองของระพินและลูกห่ะ อันหมายถึงว่าพวกนั้นก็ตื่นกันหมดแล้วเช่นกันจึงคว้าปืนประจำตัวแล้วก็สังเกตเห็นอีกว่าไราเฟิลของระพินหายไปพร้อมกับเจ้าของด้วยร่อนลุกขึ้นและออกมายืนตรงบริเวณหน้าถ้ำโดยเร็วพยายามจะกวาดสายตามองแต่ก็เห็นอะไรไม่ถนัดเดินไปกว่าห้าหกเมตรเท่านั้นเพราะละอองหมอกอันเย็นฉ่าลงหนาทึบไปหมดและบริเวณชานหินที่ยืนอยู่ก็เปียกและลื่นมากจึงตะโกนเรียกนามเขาระพินอย่าเพิ่งก้าวหรือไต่ลงมาคริส กยินกำลังลื่นมากอยู่บนนั้นก่อนเสียงเขาตอบมาจากเบื้องล่างไม่ห่างลงไปนะแต่ไม่เห็นตัวคุณอยู่ที่ไหนนะ่ากำลังทําอะไรกําลังตรวจร่องรอยอะไรหน่อยคุณไตเข้าไปในถ้าที่พวกเรานอนรวมกันอยู่และปลุกพวกเขาด้วยถ้าเขายังไม่ตื่นบอกให้ทุกคนทานอาหารเชาวเสียเลยและอยู่กันบนนั้นก่อนจนกว่าแดดจะออกและหมอกจางเห็นอะไรถนัดกว่า น, นี้กําชับอีกครั้งอย่าพย า, ายามไตลงมาเป็นอันขาดจะเกิดอุปตวพเหตุขึ้นได้ คุณเป็นยังไรบ้างสบายดีหรือไม่ต้องห่วงผมปกติเหมือนเดิมแล้วอีกสักครู่จะขึ้นไปพบทุกคนที่ถ้ำใหญ่เตรียมอาหารไวเผื่อผมด้วยทั้งสองฝ่ายตะโกนพูดกันโดยไม่เห็นตัวตกลงว่าแต่ตอนนี้คุณอยู่กับลูกน้องหรือใช่บุญคำ่อนปัดแขนเสื้อแจ็คเก็ต ด, ดูนาฬิกาขณะนั้นมันเป็นเวลา 06.10 น อ, อีกนานไม่เนี่ยแ ด, ด ถ, ถึงจะออกและหมอกพอจางเรารอ8โมงเช้าโอ้โหอีกตั้งนาน ถ้าคุณจะนอนพักอีกสักสองชั่วโมงก็ยังไหวอย่าเพิ่งให้พวกคุณคนใดเคลื่อนไหวออกนอกที่พักในตอนนี้ก่อนเลยเพราะยังทําอะไรไม่ถนัดทั้งนั้นก็แล้วคุณเองล่าทําไมถึงลุกมาในเวลานี้หน้าที่ของผมคุณก็รู้อยู่แล้วอย่าเพิ่งพูดอะไรกันตอนนี้เลยผมขี้เกียจตะโกนประโยคหลังดูเหมือนเขาจะตัดบทคริสตินาชงโงกเข้าไปในถ้าที่นอนเฝ้าเขาตลอดคืนอันนี้ครอบครัวของสเสอิงนอนอยู่ด้วยอีกมุมหนึ่งเห็นสเสอิงและลูกเมียยังนอนเบียดกันเป็นกลุ่ม จึงถอยพระออกมาค่อยๆเกาะแง่หินไต่ผ า, าบริเวณนั้นซึ่งไม่กว้างมาก น, นละล่อเรียบไปยังถ้ำใหญ่ที่พักพวกและสัมภาระเก็บไว้เมื่อโผล่เข้าไปก็ยังเห็นพวกนั้นยังนอนเรียงรายหลับสนิทกันอยู่ไปที่ก่อไว้หน้าปากถ้ำมอดดับลงหมดแล้วและไม่มีเชื้อฟืนที่จะเติมอีกความหนาเวเย็นของอากาศยามเช้าตรู่บนหน้าผาทาให้ทุกคนนอนกันตัวงอกองอคินมันเป็นเวลาที่ทุกคนหลับอย่างสบายที่สุด และไม่มีเหตุผลใดๆที่หล่อนจะต้องปลุกขึ้นมาในยามนี้ก่อนยังค่อยๆย่องเข้าไปค้นหาก้อนแก๊สสาเร็จรูปสาหรับก่อไฟหุงต้มในหอสัมภาระออกมาวางกับพื้นแล้วจุดไฟเป็นเปลวขึ้นเพื่ออาศัยผิงไออุ่นตนเองนั่งเองหลังพินผนังหินไม่ได้คิดที่จะนอนต่อใดทั้งสิน้นเพราะประสาทตื่นพร้อมแล้วถือโอกาสต้มน้ําจากหม้อสนามเพื่อเตรียมชงกาแฟจากเปลวไฟนั้นไปนในตัวด้วยขณะนี้ประพินกับสมุนขวาตาเท่าบุญคําของเขา กำลังยืนอยู่ที่แง่ตะพักหรือแท่นหินตําแหน่งที่ไอ้ซากมาหาการจากสุสานนิทานครถูกลูกปืนอาคมของบุญคำหล่นลงมาคว่ำหน้าคาพ้าอยู่กับแง่หินลักษณะไม่ผิดอะไรกับเง่าไม้ทั้งดุนซึ่งเป็นสภาพตามปกติของศพอาบยาที่หาอายุไม่ถูกมันไม่ได้กระดิกกระเดียหรือเคลื่อนไหวผิดจากสภาพเดิมกับที่หล่นลงมาในครั้งแรกเลยและเมื่อมายืนพิจารณากันใกล้ใ ก, ก้เช่นนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากซากโบราณไม่ทราบ สักกี่สิบหรือกี่ร้อยศตวรรษมาแล้วแต่เป็นซากที่ยังสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดชํารุดนอกจากรอยกระสุนแผลเล็กๆของบุญคาซึ่งยิงทะลุหน้าอกผ่านออกด้านหลังเหมือนยิงทะลุยางรถยนต์เนื่องจากแนวทางของกระสุนไม่ได้ผ่านกระดูกไอตัวนี้ไม่มีทางจะลุกขึ้นมาเดินได้อีกแล้วนายเพราะเจาะเจอเอากระสุนคลุกยานอีเปอร์ของบุญคาําครับถึงไอตัวที่โดนลูกปืนของจันก็เหมือนกันไม่รู้ตอนนี้มันค้นหาพบแล้วยังคงจะกลิ้งไปติดค้างอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งแน่ๆ แต่สำหรับตัวที่นายยิงผ้ากระโหลกไปทั้งซี่ยังไม่แน่ว่ามันจะกองอยู่ที่เก่าหรือเปล่าและบุญคําก็ไม่สบายใจนะถ้าไปเจอเอาไอ้ตัวกระโหลกหายไปครึ่งซี่เดินทื่อเข้ามาเยี่ยมเราอีกแต่เท่ากระซิบกับเขาเบาๆระพินคว้าผ้าขนหนูออกมาจากอกเสื้อเช็ดใบหน้าอันเปียกชื้นไปด้วยละอองหมอกของเขานี่เราเห็นจะต้องเจอกับมันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากเรายังค้นไม่พบประชาของมันตรงที่นายทหารชยายยันกับแม่มมาเรียไปติดค้างอยู่ในคราวนั้นมันใจจะต้อง ใช้มนการีของมันเรียกออกมาเรื่อยๆเอาอยัางไงดีละนายถ้างั้นนีอยู่ทางเดียวเท่านั้นถ้าผ่านห้วยเสือร้องไปแล้วเราเห็นจะต้องค้นหาสุสานของนิทรานครให้พบและหาทางสกัดกั้นหรือล้างไอ้ซากผีหมื่นปีในสุสานนั่นให้หมดไม่งั้นมันก็จะต้องโผล่ออกมาตามรางควานเราไปจนถึงที่สุดนั่นแหละไม่เพียงแต่เรียกผีดิบออกมาจะกป่าช้าให้มาจ้องเร่นงานเราเท่านั้นยังบังคับของช้างได้อีกบุญธรรมก็ว่าเราเห็นจะต้องฟาดกับมันแบบนั้นแหละว่าแต่นายจะ บอกกับฝาลังพวกนั้นยังไงจะถามอย่างเป็นห่วงแทนเพราะบุญคำไม่ใช่คนโง่นะและเข้าใจะอะไรได้ดีพอสมควรมันจําเป็นใช่แล้วที่ฉันจะต้องเล่าความจริงทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเราในครั้งนั้นให้พวกเขาฟังทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องบอกเกี่ยวกับความลี้ลับของนิทรานครและมันตรัและพวกนั้นจะยอมเชื่อนายหรือประพินกระดกกลายลิ้นเกลียาริมฟีปากถ้าไม่ยอมเชื่อก็ช่วยไม่ได้เหตุการณ์มันพิสูจน์ให้เห็นชัด กับตาทุกคนแบบนี้แล้วเอาละ่ะเราไต่ต่ำลงไปอีกหน่อยฉันจําได้ว่ายิงไอ้ตัวที่สามหล่นไปทางโน้นดูซิว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าดอดนี้ไปได้อีกเพราะลูกปืนของฉันมันไม่ได้คลุกยันอีเปย์อย่างที่บุญคาทําเสียด้วยเบ่านายทั้งคู่พากันเดินไต่แง่หินต่ำลงไปอีกท่ามกลางละอองหมอกที่ยังคลุมอยู่เป็นม่านทึอประพินจําได้ดีว่าเขายิงไอ้ตัวที่สามพะงาล่วงหล่นไปตรงตําแหน่งไหนจึงบ่ายหน้าไปยังบริเวณนั้น ลงซุมไม้เล็กๆเห็นชัดว่ากิ่งไม้ขนาดหัวแม่เท้ากิ่งหนึ่งหักพับด้วยรอยตัดของหัวกระสุนไรเฟิลขนาดหนักมันหักกิ่งไม้ที่บังอยู่เบื้องหน้าก่อนแล้วจึงทะลวงเข้ากระทบบริเวณใบหน้าของไอ้ซากมหาอุบาหอันทําหน้าที่เหมือนหน่วยคอมมานโดไต่เงียบขึ้นมาบุญคําชี้ให้ดูก้อนหินขนาดครกตําน้ําพลิกย่อมๆที่มีรอยถูกงัดหลุดจากพื้นผนังหน้าผาหลุดร่วงลงไปด้วยพร้อมๆกับซากที่งายพึ่งลงไปนั้น และมีรอยกริ้งไปตามทางชันของหน้าผาไต่ตามกันไปเรื่อยๆชั่วระยะต่ำลงไปอีกไม่ถึงเจดปดเมตรก็มาพบกับแง่หินซึ่งสันนิษฐานได้ว่าซากควรจะกริ่งลงมาติดคาอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ทั้งสองพบก็เพียงแต่เสี้ยวหนึ่งของกระโหลกศีรษะอันประกอบด้วยโหนกแก้มซีกซ้ายซึ่งหลุดออกทั้งกะบี่กับกระโหลกส่วนหนึ่งลักษณะเหมือนกะลาม้พร้าภายในยเต็มไปด้วยขุยดำๆและปลอยผมที่ติดอยู่เท่านั้นตัวซากทั้งซากและศีรษะอีกซีกหนึ่งอันยังคง ติดอยู่บนบ่าอันตรธานไปเสียแล้วพระพินอั น, นิ้วเก่าแกมกากร า, กากยังขัดใจเสียงแต่เท่าจู่ปากจิกจักบุญคําว่าแล้วลูกปืนของนายแค่ทําลายส่วนใดส่วนหนึ่งของมันที่ถูกลูกปืนกระทบเท่านั้นตัวซาของมันนั้นสะกดไม่อยู่ได้ลูกปืนธรรมดาพอได้โอกาสมันก็มีวิญญาณลงสิงลากตัวลงหนีหายไปตามเคยไอตัวนี้ก็จะมีสภาพเหมือนเหมือนกับตัวที่นายกับนายทหารเชริดวุฒิยิกขาหากักกับวางระเบิดตัวขาดครึ่งท่อนที่มันส่งมาหลอกหลอนเราได้อีก ลูกปืนของพวกบุญคําไม่ได้เจอเข้าโครมเดียวจอดสนิทเอาไปใช้งานไม่ได้อีกนายต้องทําพิธีเอาลูกปืนของนายคลุกยันอีเป๋แบบเดียวกับลูกปืนของพวกบุญคําแล้วละ่ะและไอที่พวกบุญคํายิงอยู่มัดไปหลายตัวเมื่อคืนก่อนตอนมันยกพลบุกเข้าที่นี่พอตื่นเช้าก็หายไปหมดนั น, นํามันหายไปได้ยังไงเขาถามบุญคําว่าพวกที่ถูกลูกปืนอาคมของบุญคำไม่มีทางใช้การได้อีกแต่ที่มันหายไปก็เพราะไอช้างบริวารของมันนั่นแหละ ช่วยกันเอางวงจับซากพาหนีหายไปโดยไม่ยอมทิ้งไว้ให้เราพิสูจน์ได้ในตะวันตอนตะ ว, วันขึ้นคงจะแอบเอาไปแอบซ่อนโยนทิ้งไว้ที่ไหนไม่ให้เราค้นพบแต่รับรองซีนาว่าซากที่ถูกลูกปืนของบุญคำมันจะเอากลับมาชาอีกไม่ได้แล้วผิดกับซากที่ถูกลูกปืนธรรมดาเพราะมวลอัปปรีอุบาทของมันต่ลยสั่งการให้เคลื่อนไหวได้ถึงจะหักหักพังพงก็ตามเขามองหน้าสมุนสนิท ผู้ไว้วางใจและเชื่อฝีมือได้มากที่สุดอัดบุรีลึกแปล ว, ว่าบุญคํำยังเชื่อแน่นอนว่าวิญญาณร้ายของมันตรายยังคงวนเวียนอยู่และเป็นตัวการเล่นงานเราในครั้งนี้แต่เท่ายิงฟันไม่มีอะไรให้หน่าสงสัยอีกแล้วนายถึงตัวนายเองก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรือวิญญาณของมันตรายไม่ดับสูญแม่ซากเดิมที่เป็นนักบวชล้นของมันจะพินาศไปพร้อมๆกับซากเสือโครงดำของมันในครั้งนั้นแล้ว ตอนแรกๆที่เรากำจัดมันได้วิ ญ, ญญาณก็คงจะกระเจิดกระเ จ, จิงตุลาตุเรไปก่อนอย่างหาทิศทางไม่ได้พอมันตั้งตัวได้รว вот บรวมอำนาจจิตมั่นคงและจำความเก่ากได้ถูกมันก็หวนมาอีกครั้งตัววิ ญ, ญญาณสำคัญก็เข้ายึดซากอันใหญ่โตมหึมาของนักรบใช้แทนซากนักบวชลอนอันเป็นซากเดิมของมันก็ไอตัวที่เราพบเห็นครั้งแรกที่นั่งอยู่เหนือฝั่งลําห้วยนั่นแหละส่วนลูกน้องบริวารของมันทั้งหลายมันก็ส่งกระแสจิตเข้าครอบงำ โดยแยกริม์มนออกไปทําให้สั่งการเข้าสิงได้พร้อมๆกันหลายๆตัวตัวที่มันจะต้องระมัดระวังและสงวนไว้ให้มากที่สุดก็คือตัวที่เป็นนักรบเพราะรูปร่างสมบูรณ์กํายําสูงใหญ่มากที่สุดมันต้องรู้ว่านายจะต้องนําคณะเดินทางผ่านมาในินของมันถึงได้ดักรอเพื่อแก้แค้นโคลงไอ้งาดําก็ตกอยู่ในอำนาจของมันที่มันสร้างเหตุการณ์เข้าราวีทําลายล้างหมู่บ้านตะเคียนทองคุณคําว่ามันไม่ได้มีประสงค์อะไรมากไปกว่าที่จะทําเรื่องขึ้น เพเป็นกลนุบายเรียกให้นายเข้ามาติดกับดักของมันนั่นเองเพราะถึงแม้นายจะอยู่หนองน้ำแห้งเฉยๆโดยไม่นำทางพวกฟาล้างพวกนี้ข่าวของไอ้งาดําที่บุกฆ่าก็เลี้ยงตะเคียนทองเสิดทั้งหมู่บ้านก็จะต้องแววไปถึงหูนายและเป็นการเรียกนายให้ขึ้นมาพบมันนั่นเองบุญคำไทยอย่างนี้นายเห็นด้วยไหมเขาไม่พูดคําใดในขณะนั้นนอกจากอัดบุหรี่จนแก้มตอกลี่ตามองดูเศษกระโหลกครั้งหนึ่งนานมาสักเท่าใหรไม่ทราบได้มันเคยเป็นกระโหลกของมนุษย์ษชาติ ขณะนั้นเองก็มีเสียงกู่ให้สัญญาณเบาๆมาจากกลุ่มหมอกทางด้านซ้ายมือบุญคำกู่รับออกไปอยู่ไหนพี่คำนั่นเป็นเสียงของจันที่พูดมาฟังว่าระยะใกล้ๆ ก, ลกันนี่เองทางนี้โว้ยไอจันเลาะก้อนหินมาให้ดีบุญคำร้องเรียกมีเสียงไส้ก้อนหินมาแทรกแทรกอันเกิดจากกรวดและดินซวยร่วงและไม่กี่อึดใจสมุนซ้ายกับพรานเด็กหนุ่มสองคนคือเกิดและเสยก็พากันเลาะไหลแคบๆตรงเข้ามา มองเห็นตัวกันในระยะห่างไม่เกินไม่กี่วาพบตัวไม้สําหรับตัวที่จันยิงไว้เขาถามเบาๆจันหัวเราะห้าจะห น, นีไปไหนรอดนายนอนแผ่มือกลางตีนกลางอยู่ตรงโน้นบังชะง่อนหินอยู่อีกแสนปีก็กระดิกไม่ได้อีกแล้วลูกปืนของจันแค่ทะลุท้องมันไปเท่านั้นจากรายงานของจันอันเป็นที่เชื่อได้แน่นอนว่ากระสุนที่ผ่านเข้ามาทําพิธีสกปกของบุญคํา แกอาคมกริทยามนร้ายของมันตายได้อย่างชังงัดที่สุดไอตัวที่นายยิงหัวแล่งหายไปซีกหนึ่งนี่สิเหลือแต่กะโหลกให้เห็นมันตัวมันหนีไปได้อีกตามเคยบุณคําเป็นคนบอกลูกน้องทั้งสามและเอาปลายลายเฟื่อชี้ให้ดูเศษกระโหลกที่ทิ้งตกอยู่จัน์เกิดและเสยเข้ามามึงดูเข้ามามุงดูแล้วคลางกันอู้ตลอดเวลาพรานใหญ่ยืนสงบนิ่งใช้สมองหนะักลูกน้องมือดีของเขาทั้งสี่คุยกันเองแซ่ด เนื้อผึงไวเมื่อเย็นวานนี้มันก็ใช้ช้างให้มาทึงขาดจะกราวลงมาคลุกฝุ่นอาศัยแดกไม่ได้เลยเสียเวลาแลกกันเปล่าๆทั้งวันไม่รู้มันจะจองร้านจองแค้นเราไปถึงไหนเจ็บใจขึ้นมาเดี๋ยวพัดเออไอสองตัวนี้ต้มซุปแดกเสียเช้านี่เลยใส่สมบทสาบานด่าพ่อร่อแม่ขลมเออเองจะเอาซากมันต้มซุปแดกก็เชิญแดกไปคนเดียวไม่มีใครคละประทานแดกกับเองด้วยหรอกต้มยางรถยนต์กิน ยังพอมีทางเปืยได้มัง่งไอซาอุบาทพวกนี้มันก้อนหินเราดีๆนี่เองมีดเฉือนก็ยังไม่เข้าบุญคําว่าพร้อมกับผลักขั้วเสยเอาอยัางไงดีครับนายปล่อยซาไอสองตัวนี่ที่ลุงคํากับน้าจันยิงหิคอยู่กับที่ไว้ที่เดิมของมันรู้ว่าจะให้ลากไปจัดการยังไงที่ไหนเกิดถามขึ้นปล่อยไว้ที่เดิมของมันอย่างนี้แหละไม่ต้องไปแตะต้องหรือขยับพย์เดินอะไรทั้งนั้นสายหน่อยหมอกจางให้พวกนายจ้างเข้าลงมาเห็นกับตาเองดีกว่าไป เราลงไปที่ลานข้างล่างนั้นตรวจดูบริเวณว่าพวกมันย่องเข้ามาทำลายลาวตากเนื้อเรายังไงบ้างกล่าวจบเขาก็สะพายไลยเฟินขึ้นไหลหันหน้าเข้าผนังหินเอาหลังออกและถอยหลังตายนำลงไปยังด้านล่างก่อนทันทีพลานคู่ใจทั้งสีก็ตายตามกันลงมาเป็นขบวนการสำรวจบริเวณเนินอันเป็นบริเวณที่ตั้งแคมป์ใต้หน้าผาในเวลาเช้าตรู่หนปรากฏชัดเหมือนกับที่ได้เห็นไว้เขา ไว้คร่าวๆก่อนแล้วเมื่อตอนที่เชิดวูดยิงพลุฉายแสงสว่างไปทั่วขณะที่เกิดยิงกันขึ้นเมื่อตอนดึกที่ผ่านมาระหว่างที่ไอ้ผีดิบพยายามจะไต่หน้าผาขึ้นไปอย่างประสงค์ร้ายซากช้างนับสิบที่ยังไม่ได้แลกเนื้อคงกองเป็นภูเขาอยู่เป็นหย่อมๆและเริ่มจะพองอืดขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับทรงกลิ่นส่วนราวายที่แล่เนื้อเป็นชิช้นผึงไว้ให้น้ําตก กับร้านย่างเนื้อรมควันซึ่งทําไว้เมื่อบ่ายวานถูกทําลายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเนื้อที่จะอาศัยเป็นสเสบียงกลางประทังชีพได้บ้างจากการลงแรงช่วยกันชําแหละแล้ไว้เมื่อบ่ายวานกินเวลาหลายชั่วโมงถูกทึ้งขาดจากการคึงโยงไว้ลากเนื้อพวกนั้นลงมาคลุกกับฝุ่นและละอองดินรวมทั้งช่วยกันเหยียบย่าด้วยบาทาคตรสารกะจํานวนว่าราวสี่ห้าตัวที่ย่องเงียบเข้ามาเป็นหน่วยวินาศกรรมไม่สามารถจะนํามาใช้ ประโยชน์ในทางอาหารได้อีกเป็นการส่อเจตนาชัดแจ้งว่าพวกมันไม่ประสงค์จะให้เนื้อของพวกมันเหล่านี้เป็นสเสบียงของมนุษย์ได้อย่างที่หวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฝีมือของมนุษย์ทําไว้และยังเหลือตกค้างอยู่ถูกมันทําลายหมดสิน้นแม้เสาไม้ไผ่อันเล็กนิดเดียวซึ่งปักไว้สําหรับให้น้ําเกลือเข้าเมื่อวานและยังทิ้งค้างอยู่ก่อนที่จะพระหนีขึ้นไปอาศัยนอนในถ้าบนหน้าผาสูงก็ถูกมันกระชากออกมาหากักแล้วเวียงทึงเวี่ยงทิ้งอย่างเครียดแค้นชิงชัง ที่ทำเมื่อคืนที่แล้วนายสบายดีอย่างเดียเราคงจะนอน ก, กันอยู่ตรงที่ตั้งปากพักที่ตั้งปางพักนี่แหละก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกล้าย่องเข้ามาไหมเกิดคำรามออกมาอย่างเดือดดาลหัวฟาดหัวเหวี่ยงแล้วแหกปากตะโกนท้าทายลั่นขึ้นเฮ้ยไอ้มั sort of นไตรไองาดําพวกมึงแน่จริงก็โผล่มาเดี๋ยวนี้สิวะบุญคํายกเท้าทิ่มเข้าไปที่ก้นด้านหลังของเจ้าพลานเด็กหนุ่มแอนไปไอเวนเกิดมันไม่โง่โผล่มาพบกับเอง ตอนนี้หรอกแต่ถ้าเองหลับหรือเผลอเมื่อไหร่ก็ให้รู้ไว้มันเข้าถึงคอหอยเองแน่ไม่ต้องไปท้ามันหรอกยี่โทเสือกแค่ปากออกมาได้เมื่อคืนนี้ถ้าข่ากับอาจารย์ตื่นขึ้นไม่ทันเองกับไอ้เสยก็คอหักไปแล้วไม่มาร้องท้าเหงงเหงงอวดเก่งอยู่อย่างนี้ได้หรอกประพินยืนพิจารณาไปรอบๆตัวเท่าที่สายตาจะฝ่าหมอกออกไปเห็นได้และเดินตรวจบริเวณแวดล้อมใกล้เคียงอีกครูก็ออกคาสั่งกับคนของเขาว่าไปกลับขึ้นไปพัก เกิดกับเสยไปปลูกพวกโบมีให้ลุกขึ้นหาอาหารชาวและเตรียมตัวทยอย อ, อพยพเข้าของลงมาได้แล้วส่วนบุญคำกับจันไปปลูกพวกลูกหาบที่บางคนอาจนอนหลับอยู่ให้เตรียมตัวพร้อมกว่าจะลําเลียงของลงมาได้หมดและกว่าจะออกเดินทางก็คงสายมากทีเดียววันนี้ทั้งห้าคนไต่หน้าผากลับขึ้นมาอีกครั้งเกิดเสยแยกไปทางด้านหนึ่งบุญคำกับจันก็แยกไปอีกด้านหนึ่ง ส่วนเราพินปะบายหน้าไปยังถ้ำเดิมของเขาอันเป็นถ้ำของครอบครัวสเสอิองเพื่อจะเก็บข้าวของส่วนตัวและปลูกสเสอิองกับครอบครัวขึ้นพอดีเห็นร่างสูงของใครคนนึ่งกำลังยืนลับๆรอๆบางเงาหินอยู่เห็นแต่ศีรษะก็จําได้ว่าเป็นเชิดบุตรลักษณะกําลังแอบปัสวะเมื่อเข้าไต่ใกล้มาจนจะถึงระดับไหลผาเชิดบุตก็ทําธุระเสร็จรงรีเข้ามาหาเขาอย่างยิ้มแยม้มหน้าตาสดใสแข้มชื่นลงไปตรวจบริเวณข้างล่างเลยครับผมตื่นตะกี้นี่เอง mm hmm. เห็นคริสเข้ามาในถ้ำของผมกําลังต้มกาแฟอยู่ บอกว่าคุณตื่นแต่มืดเลยผมว่าจะตามคุณลงไปแล้วแต่คริสบอกว่าคุณสั่งห้ามไม่ให้พวกเราคนใดตามลงไปก็เลยเกรีออกมาดักอยู่แถวนี้รพินยิ้มตอบเชบิญวุฒไม่ทักปล่าตรงรียเข้ามาจับแขนเขาไว้แน่นและสํารวจสีหน้าเหมือนจะค้นหาวี่แววของการเจ็บป่วยว่ายังหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่พวกเราตื่นกันหมดแล้วหรือครับส่วนมากก็รู้สึกตัวกันแล้วแต่มันหนาวมากก็ยังนอนห่มผ้าห่มกันอยู่มีแต่คริสคนเดียวเท่านั้นที่ทําหน้าที่ต้มน้ําผมเองก็ว่าจะนอนต่อเหมือนกันแต่พอรู้ข่าว อากคลิสว่าคุณลงไปตรวจข้างล่างก็เลยหายง่วงประกอบกับปวดฉี่กั้นไม่ไหวก็เลยลุกออกมาระพินหัวเราะเบาๆไม่กล่าวอะไรจับแขนนายทหารรุ่นน้องพาเดินไปในถ้าของเขาบุตรชายท่านในพลเดินตามเข้าไปอย่างเต็มใจระหว่างที่รพินตะโกนเรียกสเสิร์งให้ลุกลุกให้ตื่นและให้หนะลงนั่งเก็บของส่วนตัวรวบรวมลงย่ามหลังโชวดบุตรนั่งลงกล้ๆด้วยกระซิบถามดีตาดูเขายัางมีเลห่ห์ไนเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้หลังจากที่เบลมาตามตัวผมออกไปแล้ว อะไรครับที่ว่าเป็นยังไงนะ่ะหลับสนิทดีไหมครับหลับสนิทดีมากและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาเพราะเจอเอนายนอนหลับเข้าไปเขาตอบอย่างพาซื้อก่อนหลับถึงสุขาวดีแดนสวรรค์หรือเปล่าประโยคหลังทําอราพินยหยุดชะงักการหยิบโน่นช่วยนี่ลงย่ามชั่วขณะดเลือบตามองหน้าและหัวเราะด้วยน้ําเสียงเอื่อยเรื่อยๆของเขาผมไม่ใช่กาเมณิสนี่ครับก็เลยไม่คิดที่จะไปสุขาวดีแดนสวรรค์ เอาแค่หลับโดยไม่มีอะไรมารบกวนให้ต้องตื่นพ ร, รวดพ ร, ราดขึ้นมาคว้าปืนก็นับว่าสุขที่สุดแล้วสำหรับชีวิตอย่างผมหมดท่าเลยพี่ชายเราเชิร์วุธจุปากเบาๆโครงหัวทำไมถึงปล่อยให้โอกาสมันพลาดไปเด้ย่างนี้โอกาสอะไรครับโทษจะต้องให้ผมพูดด้วยเหรอคุณเชิร์วุธไม่เข้าใจแต่คริสเข้าใจผมดีที่สุดครับเราพอจะไปกันได้ดีพอสมควรในฐานะเพื่อนร่วมทางแต่ไม่ใช่ฐานะอื่น น่าเสียดายจริงๆพับผ่าเป็นผมหน่อยไม่ได้แม่ทําไมนะคุณระพินทําไมคุณถึงไม่เข้าท่าเลยแบบนี้ก็ผมพอใจในความไม่เข้าท่าของผมในเรื่องนี้นี่ครับแล้วก็ถือเป็นเกียรติยศทางใจของตัวเองด้วยผมไม่เหมือนผู้ชายทั่วๆไปเขาหรอกแต่ว่าเชยก็ยอมรับถ้าผู้หญิงคนไหนจะด่า ว, ว่าควายก็ไม่เถียงไม่ปฏิเสธผมน่าจะถามคุณวุฒิมากกว่าสบายองค์หรือ ย, อยังลังเมื่อค่ำคืนที่แล้วเชิดวุฒิยิ้มพยาย แหมหายปวดหัวเป็นปริดทิ้งเลยครับวันนี้ผมว่าผมเดินตามคุณได้อย่างสบายถึงไหนถึงกันยี่ภูมิคุ้มกันไปได้สองวันสบายๆไม่งั้นมันหูดหิด ต, ตัวหนักยังไงพี่กประพินส่งมือให้จับแล้วขายาวแรงๆเป็นสิ่งที่ดีมากที่อะไรต่ออะไรมันทําให้คุณเชิดวุฒมีกําลังใจมีแรงเดินขึน้นแสดงความยินดีด้วยว่าแต่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบเสร็จสมอารมณ์หมายไม่ครึงคร่งๆกลางๆเหมือนที่เคยบ่นมาแล้วนะครับอะไรนะพญานาคหมดฤทธิ์พ่นพิษนอกถ้านะ่ะ ชายท่านในผลตัวแทนฝ่ายกลาโหมหัวรับก้ไม่นอกถ้ำแล้วครับแต่ก้นถ้ำไม่ยอมให้กระช อ, อ, อเอามาแม้แต่สักหยดเดียวเพิ่งจะครั้งแรกจ ร, จริงๆนับตั้งแต่เฝ้าโอกาสมาจากกรุงเทพแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะครับคราวนี้ผมเป็นฝ่ายถามคุณบ้างรับพิน์ชวนคุยโดยไม่มีเจตนาอะไรมากเพียงแต่อยากจะเอาใจเพราะรู้ว่าชวนบุตรชอบที่จะหาโอกาสคุยหรือระบายอะไรกับครับโอ้โหบอกไม่ถูกผิดคาดจริงๆเห็นรูปร่างครั้งแรกนึกว่าจะปู่โพกที่ไหนได้ ลั่นเจ็ชั้นเลยทั้งๆที่ทททไอ้บ้าคิดละเลงไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนหัวค่ําผมจับร้องกรี๊ดมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเจ้าตัวร่วมือด้วยดีเ อ, อย่างดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะดีอย่างนี้ไปอีกสักกี่ครั้งไว้ใจไม่ค่อยได้แม่ดีเป็นลมๆไปสงสัยไอ้คิดจะปูทางไว้ก่อนแล้วแต่ไม่ช่วยให้แม่เจ้าประคุณคลี่คลายได้เพราะผมตามหลังก็เลยปลอดโปร่งโชคดีมากที่คิดทําความตกลงกับคุณได้บอกตรงๆก่อนจะออกเดินทางผมกลัวจัง พราะว่าคุณกับคีตจะฆ่ากันตายกลางป่าเพราะเรื่องนี้นึกไม่ถึงว่าจะสามัคคีกันได้เชิญบุดหัวล็อกคิกๆไม่หรอกครับไอ้นั่นมันคนวิตีฐานบ้าๆอยู่ไม่น้อยไปกว่าผมเหมือนกันถ้าจะเตะป่ากันเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องเบลเหรอกเพราะรายนี้พอจะตกลงผัดปเปลี่ยนคิวกันได้แต่จะเตะกันเรื่องคริสต์มาสมากกว่าเพราะผมรู้ว่ามันก็รอโอกาสอยู่เหมือนกันผมแน่ใจว่าคริสไม่เคยยุ่งกับนายคีตหรือสแตนลี่มาก่อนเลยแน่ใจหรือครับโท่ผมดูออก เ ง, งั้นก็ตกลงกันในเงื่อนไขเดิมก็ได้นี่นะทําไมจะต้องแตะปากเพราะแย่งกันด้วยจับไม่สั้นไม่ยาวก็ได้ใครก่อนใครหลังคําพูดหน้าตาเฉยของรพินทำให้เชิดวุฒกลั้นหัวรอจนตัวงอท้องเขย่ า, ยาไปหมดผมก็ว่าพอจะหาโอกาสเหมาะตกลงกับไอ้คริสในเรื่องนี้เหมือนกันแต่คุณก็รู้คริสไม่เหมือนเบลดีไม่ดีเจอกระสุนเอ็มสิได้กันทั้งคู่คนถูกให้ท่าหรือ ก, ก็ไม่คิดจะสนใจใหญ่ดีไอ้คนที่อยากจะมาสมาคมด้วยหรือแม่เจ้าประคุณเองก็ไม่ปราถนามันกลับกันสิหนิ อยจะเปลี่ยนตัวเป็นคุณจริงๆให้ตายระพินยิ้มแต่เป็นยิ้มซึมๆอย่าเป็นผมเลยครับคุณเชิดวูดถ้าคุณเป็นผมเมื่อไหร่คุณจะปวดร้าวหัวใจและทุกข์ทรมานที่สุดเพราะต้องพราดพลาคนที่แสนรักมาเธอไม่มีหวังว่าจะได้กลับไปเห็นหน้ากันอีกแล้วลําพังผมคิดถึงเธอข้างเดียวนั้นผมก็เชื่อว่าผมพอทนได้แต่เมื่อคิดว่าเธอก็คงทุกข์ทรมานใจไม่น้อยไปกว่าผมมันยิ่งทําให้ผมเศร้าและทุกข์หนักซ้ําลงไปอีกหลายเท่า ผมใจดากับเธอมากที่จากเธอมาโดยไม่บอกให้ทราบเลยเหมือนทอดทิ้งเธอะเฉยๆอย่างไม่อะไรใหญ่ดีงั้นแหละถ้าผมแน่ใจว่าผมทําให้เธอลืมผมได้ผมจะสบายใจกว่านี้แต่ผมคิดและเชื่อมั่นว่าเธอไม่มีวันลืมผมและป่านี้ไม่ทราบว่าจะมีความทุกข์สัขนาดไหนคําพูดของระพินไพรวันทําให้เชิดมุดหมดอารมณ์สนุกคึก ข, ขนองลงไปทันทีมองหน้าเขานิ่งไปนานประพินคุณเชื่อไหมคุณเชื่อในผมลิขิตไหม ครับผมเชื่อถ้างั้นคุณก็ควรจะปรงเสดเถิดผมก็พยายามปรงอย่างที่สุดละมนงั้นผมก็คงไม่มีแรงเดินนำทางพวกคุณได้หรอกถามจริงๆเถอะคุณเชื่อว่าคุณไม่มีหวังที่จะได้กลับไปพบเธอผู้นั้นอีกแล้วหรือ 99.99% ครับเพราะหนทางที่เรานำพวกคุณไปก็คือหนทางแห่งความตายมองเห็นชัดๆอยู่แล้วเชิดวุอึ้งอีกครั้งก่อนจะว่าก็ถ้างั้นทาไมคุณไม่ตัดใจเสียห้อะไรบั หาอะไรบันทายอมใจแก้ขัดไปพลางๆจะต้องคิดอะไรมากจอมพรานจัดของเสร็จสวัสด้หลังขึ้นพา้าด้ายผมบอกแล้วว่าผมไม่เหมือนผู้ชายอื่นหรือสมัยก่อนนี้ก็อาจเหมือนผู้ชายอื่นๆทั่วไปแต่นับตั้งแต่พบเธอผู้นั้นความรู้สึกนึกคิดของผมเปลี่ยนแปลงไปหมดในลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนตายไปจากโรคนี้ก็ขอให้เทพเจ้าจงเป็นพยานเถิดว่าผมได้ตายไปพร้อมกับความสุจริตความซื่อสัตย์ในความรักที่มีต่อเธอผู้นั้นเพียงคนเดียว ถ้แม้ว่าจะพลังพลาดอะไรลงไปก็แปลว่าหมดสติไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเจตนาช่อชนทรยศกรุณาหยุดพูดเรื่องนี้เถอะครับเราไปกันที่ถ้ำของพวกนั้นกันดีกว่าผมรู้สึกหิวและต้องการจะเพิ่งอาหารเรซ่นเข้าเป็นครั้งแรกนายจ้างอเมริกันของเขาตื่นและลุก ข, ขึ้นจากที่นอนกันหมดแล้วขณะที่รพิน์กับเชิดวุดเก้าวเข้าไปกาแฟที่คริสถือโอกาสต้มไว้ก่อนแล้วก็รินไปคอยท่าพร้อมทั้งหมดทักทายเขาตามปกติวิสัยของการพบหน้ายามเท้า อากาศเบื้องนอกเริ่มใสขึ้นบ้างแล้วพร้อมกับลําแสงตะวันที่สาดลงแสงตะวันที่สาดลงมาไล่ละอองหมอกพรานใหญ่ลงนั่งร่วมวงแน่ใจไหมครับว่าเรียบร้อยสําหรับสุขภาพของคุณเช้า ว, วันนี้หัวหน้าคณะถามยิ้มยิ้มจ้องสํารวจเข้าหน้าอาการแน่ใจครับให้เบลเช็คซ์อีกหน่อยเถอะไม่ต้องอะไรมากเอาแค่ชีพประจอกับความดันก็พอก่อนอื่นรองท้องจะด้วยกาแฟก่อนจอมพรานไม่กล่าวอะไรในขณะนั้น เขาเป็นคนส่งถ้วยพลาสติกบรรจุกาแฟให้เขาริสเตรียมของอยู่เงียบๆและดูเหมือนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทักทายอะไรเขาเลยเมื่อเราพินย่างก้าวเข้ามาร่วมด้วยเบลคว้าเครื่องวัดความดันเดินมาคุกข่าตรงหน้าแล้วว่าดูหน้าตาท่าทางก็รู้ว่าวันนี้พวกเราไม่มีวันเดินตามเ้าทันได้อีกหรอกมนุษย์เหล็กแท้ๆคนธรรมดาสามันที่ไหนประพินยิ้มเล่นๆวันนี้เราคงจะเดินกันไม่ได้เร็วนักหรอกครับเพราะมีคาราวานของกระเลี่ยงพวกนี้ไม่น้อยกว่าหกสิบเจ็ดสิบคน ติดตามไปด้วยรวมทั้งสัมภาระเข้าของลูกเล็กเด็กแดงและกว่าจะขนของเคลื่อนย้ายกันลงไปตั้งขบวนได้ที่ลานใต้หน้าผาอันเป็นจุดเริ่มต้นนั่นผมก็กะว่าเห็นจะกินเวลาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เขาดื่มกาแฟรวดเดียวหมดแก้วแล้วยื่นข้อมือไปให้หมอเบลตรวจชีพจรก่อนนอนจับแล้วเหลือบดูนาฬิกาอึดใจเดียวก็บอกรลอยๆกับทุกคนว่านึกออกแล้วว่าทําไมเขาถึงออกแรงหนักแล้วไม่ค่อยจะเหนื่อยเร็วเหมือนพวกเรานะ อัตราชีพจรเต้นช้าและหนักแน่นแรงดีมากหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบต่อนาทีเท่านั้นนักกีฬาที่เหนื่อยช้ามีอัตราชีพจรอยู่ในเกณฑ์ต่ำเช่นนี้ทุกคนไหนยื่นท่อนแขนมาสิห่นอนออกคำสั่งระพินส่งแขนข้างหนึ่งไปให้สำหรับวัดพันกับเครื่องวัดความดันพพราอนถอดหูฟังเก็บลงกล่องแซนดี้ก็ถามเท่าไหร่ปกติค่ะอาจารย์ร้อยสามสิบถึงเก้าสิบ เขาไม่ได้แข็งใจอวดเก่งหรอกอวดเก่งหลอกเราหรอกแต่สภาพทางร่างกายของเขากลับคืนมาแล้วดีมากโล่องอกไปทีอเมริกันอวโสวยิ้มร่าระพินบอกเรียบๆว่าราะหมอเก่งและพยาบาลก็มีความกรุณามากผมถึงหายเร็วทั้งๆที่เมื่อวานจะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วริสไม่หันมาทางเขากำลังแกะกระดาษเคมีซับหน้าแทนการล้างหน้าอยู่พูดชายเย็นมาวะคงไม่เกี่ยวกับพยาบาลกรมังมันเกี่ยวกับกาลังใจ และภูมิต้านทานโดยธรรมชาติในตัวคนไข้เองเสียมากกว่าอาหารเช้าจากเครื่องกระป๋องเริ่มขึ้นปรพินหันไปทางพันเอกลาลีคีทผู้กินไปพลางทําอะไรกุกกกักอยู่กับเครื่องวิทยุรับส่งประจำคณะไปพลางตบโน่นทุบนี่เสียงตบจับยุ่งไปหมดไม่มีเสียงอะไรมากไปกว่าเสียงคลื่นอาการล้านโคลครากควนประสาทหูยังไม่ได้พ้นหรือเพอเนลคีทเขาถามเขาถามกอดดมิด อยากจะกระทึบมันให้ฟังให้พังเสีแล้วรู้แล้วรูวลวล้รอดเฮ่บัสเตดังให้มันเป็นภาษาคนเซตีซีโว้ยประโยคหลังในคีตตะโกนใส่เครื่องรับส่งกรุณาหยุดไอเสียงหนวกหูระยำนั่นลงเซตีได้ไหมคีตลำคาลหลือเกินเรียวร้วอออกมายัางหัวเสียคีทถอนใจเฮือกด่าในเครื่องรับส่งชันเยี่ยมเครื่องนั้นอีกครั้งแล้วดับสวิตช์พระถอยออกมาอย่างหมดะามมาอะไรตายอยากเชื่อผมเถอะครับให้พ้นบริเวณหุบผาตรงนี้ออกไปสักหน่อยแล้วค่อยลองดูใหม่ ผมแน่ใจว่ามันยังคงใช้การได้ดีป่านนี้ไอ้พวกบนโน้ตมันคงนึกว่าพวกเราตายโหงตายหากันไปหมดแ ล, แล้วเพราะติดต่อกันไม่ได้เลยผมเชื่อว่าตลอดเวลามันคงพยายามเรียกลงมาเรื่องเรามันรับไม่ได้เพราะมีแร่ทานลึกลับอะไรบางอย่างผลักดันสกัดไว้เชิดวุดรอ บ, อบชำระลึงดูระพินเห็นเขาวางหน้าเฉยบริเวณทางผ่านปากถ้าที่พักกันอยู่เริ่มเห็นพวกก็เรียงเดินผ่านกันเกะกะไปมาแล้วพร้อมทั้งเสียงผู้จาตะโกนสั่งความกัน พวกนั้นเริ่มทํางานตรเตรียมตัวเคลื่อนย้ายพบลูกหา บ, บางคนก็โผล่ชะโงกหน้าเข้ามามีอาการเหมือนจะขนทยอยสัมภาระของฝ่ายจะนายแจ้างลงไปก่อนแต่รพินโบกมือไล่บอกให้จัดกา ร, ตรเตรียมเรื่องอื่นเสียก่อนอย่าเพิ่งเข้ามารบ ก, กวนอะไรเพราะเห็นว่ายังมีเวลาเหลืออีกอีกเหลือเฟือเขากำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะเริ่มต้นพูดความจริงอะไรกับฝ่ายในจ้างอเมริกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ลี้ลับทั้งหลายที่เกิดขึ้นระหว่างหลังอาหารและดื่มรันดีกับกาแฟอันอีกรอบหนึ่ง ก็พอดีที่แซนลี่ซึ่งดูเหมือนจะรอจังหวะอยู่ก็เริ่มขึ้นประพินคุณเคยบอกกับผมและพวกเราทุกคนไว้ว่าคุณจะเปิดเผยอะไรให้พวกเราทราบเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่เราเผชิญอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เห็นว่าคุณยังอิดโรยอยู่มากเช้าวันนี้คุณสบายดีและควรจะพูดให้ฟังชัดๆเสียทีจอมพรานมีเขาหน้าที่เครียดขึ้นลงไปทันทีภายหลังจากนิ่งตรองอยู่ชั่วครู่ก็เอ่ยขึ้นชัดๆว่าสัญญาก่อนนะว่าพวกคุณจะไม่หัวเราะเยาะ ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่บังคับแต่ถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาได้ผมจะพยายามอธิบายเท่าที่ผมรู้ผมเผชิญมาในครั้งนั้นโดยมีพยานบุคคลที่จะยืนยันได้คือพานคู่ใจทั้งสคนของผมสแตนลีย์คีตอิซาเบลและคริสติน่ามองกันเองไปมาแล้วเปลี่ยนมาจับที่เขาเป็นจุดเดียวหัวิ น, นาคณะส่งมือมาให้จับตกลงเราสัญญาแล้วรัพพินไพร์วันก็เริ่มต้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขผ่านพบมาแล้วเมื่อครั้งนําคณะของคุณชายเชษฐาเดินทางในครั้งนั้น เฉพาะเหตุการณ์ที่ผ่านเข้าแดนอันเป็นแดนชนทยานครหนึ่งที่มีนามวานิทรานครตลอดจนความลี้ลับพิสดารของมันที่แฝงซ่อนอยู่จนเป็นเหตุให้ทุกคนในคณะแทบเอาชีวิตไม่รอดกระทั่งตัวเขาเองเป็นผู้แก้คํำสาปโดยทําลายมหาคัมภีร์มายาวินพิณาตเสื่อมสิ้นโรงล้างอาถรรพปลดปล่อยวิญญาณของพระนางพันทุมวดีตลอดค่าราชบริาพานผู้พักดีที่ถูกตรึงสะกดอยู่เป็นเวลานานา น, นับการเวลาไม่ได้ ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของราสปูโรหิตอุบาทนามว่ามันตรยในครั้งนั้นเขาเชื่อว่าเขาทำได้สำเร็จและได้รับชัยชนะแล้วหมายเหตุจากผู้เขียนหากท่านต้องการทราบความเป็นมาโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้โปรดหาต้นฉบับเรื่องเท็รพระอุมาภาคแรกตอนนิทรานครซึ่งพิมพ์ออกจำหน่ายมานานแล้วอ่านทบทวนอีกครั้งจะช่วยให้เข้าใจกระจ่างขึ้นอีกพนมเทียน ทุกคนเบิกตาโพรงฟังเขาเล่าความเป็นไปชนิดแทบจะลืมหายใจทุกคนตระหนักดีอยู่แล้วว่ามักคุเทศนำทางนามวาร์พินไม่เคยพูดอะไรในสิ่งที่เหลวไหลเหลือเชื่อตรงข้ามที่จะหาทางกลบเกลื่อนและพูดเบนความสนใจให้กลายเป็นธรรมดาเสียหมดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดแต่ในคราวนี้เขายอมลงทุนเล่าออกมาจากปากตัวเองซึ่งแน่ละแม้จะพิสดารเกินเชื่อสักเพียงไหนทุกคนก็ไม่อาจมองข้าม ก็เห็นเป็นสิ่งเลวไหลไร้สาระได้เป็นเวลาถึงชั่วโมงเต็มเต็มที่เขาถูกยิงด้วยคำถามในแง่มุมต่างต่างระพินต่อไปตามจริงทั้งหมดเท่าที่พบเห็นมากับตาตัวเองส่วนตอนไหนที่เขาเองไม่เข้าใจและไม่ทราบก็บอกไปตามนั้นคนห้าคนอเมริกันสีเชิดวุฒอีกหนึ่งผลัดกันซักไซายไล่เลียงเขาอย่างละเอียดทียิบทีเดียวและอาการคนทั้งห้าอันเป็นฝ่ายในจางของเขาก็อยู่ในสภาพที่ต่างๆกันออกไปสแตนลีย์และคริส นั่งตัวยืดตรงคอแข็งเหมือนถูกสาบเป็นหินในคีทนั้นถ้าเป็นเรื่องปวดทวักกะโกรธครั้งไรก็ดวดเล่าตามสัญญาณเดิมแต่ครั้งนี้รักหนักกว่าทุกครั้งจนหน้าแดงเถื่อนเชิดวุฒซึ่งระแค่ระคายมาก่อนแล้วแต่เพิ่งจะมาได้รับรายละเอียดนั่งเอามือคุ้มหลวงพ่อทวที่แขนคออยู่คนลูกเกลียวเกลียวอยู่ตลอดเวลาหน้าสี่เหลือสองนิ้วส่วนอิตสเบลหอตัวสั่นเทาเป็นลูกนก ท, ท, ทั้งทั้งที่อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ที มันเป็นเรื่องสยองขวัญหวาดเสียวที่สุดในชีวิตนับตั้งแต่หล่อนเคยได้ยินเรื่องราวประเภทนี้มาก่อนในรูปนวนิยายหรือต่อให้ดูในภาพยนตร์ที่มนุษย์ทําขึ้นก็ตามนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ถ้าไม่มาเผชิญพบเห็นกับตาตัวเองผมตรองอยู่นานว่าสมควรจะเล่าความจริงซึ่งสามารถซึ่งสาเหตุมันสืบเนื่องกันมากับเหตุการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้ให้พวกท่านฟังหรือไม่ แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจเล่าแม้จะเสี่ยงต่อการถูกพวกท่านกล่าวหาว่าผมเหลวไหลสักเพียงไหนแต่ผมต้องการให้ท่านได้เข้าใจไว้เพื่อว่าเราจะได้เญหน้ารับมือมันได้อย่างรัดกุมขึ้นถ้าพวกท่านไม่รู้โอกาสพลาดก็จะเกิดง่ายขึ้นอีกผมเองไม่กล้ารับรองว่าปกป้องคุ้มครองพวกท่านไว้ได้ทั่วถึงหรือไม่พวกท่านแต่ละคนจะต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันด้วยขณะที่ผมพูดข้อความเหล่านี้ออกไปและขณะที่ตอบ ป, ปัญหาซักซ้อม ถามของพวกท่านแต่ละข้อรับรองว่าสติสัมปชัญญะของผมครบถ้วนบริบูรณ์ร่างกายก็แข็งแรงดีแล้วไม่ได้เกิดจากอาการเพอร้อพูดอะไรทรงเดชเลยจอมมกคุเทศกล่าวอย่างหนักแน่นเช่มช้าในตอนท้ายความเงียบก็ปกคลุมบุคคลทั้งหกในสภาพที่นั่งล้อมวงสนทนากันไปชั่วขณะถ้าคุณนำเรื่องนี้มาเล่าเสียก่อนเราก็คงรับฟังไม่ได้ในที่สุดหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอวสูที่สุดในคณะภาคเอ่ย คุนเป็นงานเป็นการตาสีฟ้าของเขามีประกายประหลาดแต่นี่คุณปล่อยให้พวกเรารเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เสียก่อนแล้วจึงบอกถึงเหตุแห่งความเป็นมาและเราจะคลี่คลายออกไปไม่ได้ว่ามันเกิดได้อย่างไรเราก็จําเป็นเสียแล้วที่จะต้องรับฟังและยินดีปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของคุณทุกอย่างรับรองได้ว่าพวกผมทุกคนจะไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องไร้สาระเลยนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดครับทานใหญ่ยืนยันเดี๋ยวเราขอความแน่ใจจากคุณอีกครั้ง คริสติน่าพูดฉะฉานชัดเจนขณะที่ทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อให้คีซึ่งไม่สันทัดภาษาไทยฟังเข้าใจด้วยคุณหมายถึงว่าวิญญาณอามาตะชั่วร้ายของมันตรา ย, ยังคงอยู่พร้อมกับอิทธิฤทธิ์เวทมนต์กาลีของมันแม้ว่าซากเดิมของมันเป็นนักบวชโลนซากสำรองที่เป็นเสือโครง่งสีดำและมหาคัมภีมายาวบินจะถูกทำลายไปแล้วในครั้งนั้นใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นนี่คือความมั่นใจของผมและวิญญาณชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชนะ มุ่งจองเวรอาฆ่าพยาบาทคุณอยู่สาเหตุมาจากที่คุณไปทําลายล้างอาถรรพ์ของนิทรานครโปรดปล่อยดวงวิญญาณของพันทุมบดีผู้เป็นยอดสเสน่หาของมันให้หลุดพ้นจากอานาจของมันไปถูกต้องแล้วมันก็หวนกลับมารอดักเล่นงานคุณหรือคนฝ่ายคุณอีกครั้งโดยการเข้าสิงอยู่ในซาของมัมนี่ศพอาบยานในสุสานนิทรานครที่พวกคุณยังไม่ได้ทําลายให้หมดสิ้นไปไม่เฉพาะแต่ตัวมันตัวเดียวเท่านั้น ยังปลุกร้างอื่นๆ อ, ออกมาได้อีกโดยไม่จํากัดโดยอาจเรียกได้ว่าเป็นกองทัพก็ได้เพื่อทําสงครามกับเราทั้งด้านสงครามประสาทและสงครามทางกายชนิดถึงตัวแต่มันจะได้โอกาสอย่างไรใช่ไหมคุณเข้าใจได้ดีคริสตินะ่าแล้วช้างเหล่านั้นล่ะมันเป็นสัตว์ยิรชานธรรมดาเป็นส่วนประกอบของป่าแต่มาร่วมงานกับมันได้ยังไงผู้ตั้งคําถามครั้งนี้คือคีดผู้ตลอดเวลาไม่เคยถามอะไรได้แต่ทําตาพองฟังแล้วก็ดื่มบาลานดีสะบัดหัวอยู่เร้าๆไปพลาง ในมนมืดของทางตะวันออกมีอาคมอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าหัวใจโคชสาร ถ, ถ้าใครมีกริยาอาคมแก่กล้าจริงก็สามารถจะใช้วิชาการชนิดนี้เรียกเอาช้างทั้งหมดให้มาใช้งานเป็นทาตได้แมะ้จะสั่งให้วิ่งเข้าหาลูกปืนพูดง่ายๆก็คือช้างตัวไหนร่วมมือกับมันก็แปลว่าตกอยู่ภายใต้มนบังคับของมวลมันนั่นเองตามปกติแล้วช้างหรือสัตว์ ป, ป่าดุรายชนิดใดก็ตามจะไม่มีความฉลาดเล่ห์กล และทำหน้าที่เป็นหน่วยกล้าตายได้ถึงขนาดนี้ได้ยินเสียงปืนหรือถูกยิงล้มสักตัวสองตัวก็จะแผลนีเพนป่าราบไปแล้วแต่นี่มันบุกเข้าใส่เราทุกด้านราวกับหน่วยคอมมานโดกล้าตายผิดวิสัยสัตว์ป่าธรรมดาไปมากและที่มันเลือกเอาช้างมาเป็นเครื่องมือก็เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่และมีพลังมากจะสังเกตเห็นได้ว่าช้างแต่ละตัวที่ยกโขงเข้าบุกตะลุยเราจะเป็นช้างชักกันทั้งสิ้นไม่มีลูกช้างตัวเล็กๆเลยขณะที่มันวิ่งเข้าใส่เรา มันเป็นช้างที่ผีลงแต่เมื่อถูกปืนล้มลงตายแล้วก็คือช้างธรรมดานั่นเองถูกมวล บ, บังคับใช้ให้มาฆ่าเราหรือถูกฆ่าถ้าเราพร้อมกว่าพวกคุณจึงพากันแปลกใจว่าตัวแล้วตัวเล่าที่ถูกปืนซุดกลิ้งไปให้ตัวถัดๆไปฉัไหนจึงไม่ถอยหนีกับเหยียบย่ำตะลุยซ่าของมันเข้ามาใส่เราอยู่นั่นเองจนเรายังยิงไม่ทันและต้องเป็นฝ่ายถอยหนีมันนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เอาเธอเราเข้าใจแล้วรพินคราวนี้ถึงบทสรุปคุณจะเอาอยัางไงต่อไปแซนลี่ถามซึ่งซึ่งหน้ารพินรูปคลางนิ่งงานไปชั่วขณะเสียงคริกกล่าวต่อมาว่าเราเชื่อมือคุณนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะอ๋อติดมีครูคุณเองก็เป็นคนดีมีวิชาอยู่ไม่ใช่หรือการใหญ่ยิ้มแคนแคนใช่ผมมีครูแต่ครูก็ไม่เคยสอนในเรื่องนี้โดยตรงมันเป็นวิชานอกตำราเรียน จะอย่างไรก็ตามเห็นจะต้องใช้วิธีประยุกต์ใช้แล้วคือใช้ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าทางสยศาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่จะมีอยู่ได้นํามารวมกันเข้านั่นสิบอกให้เรารู้กันบ้างได้ไหมก็เราจะต้องทอํายังไงบ้างในด้านการรับมือกับมันและช่วยพวกเราให้ปลอดภัยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือมันจะดักโจมตีเราไประหว่างทางเรื่อยๆสุดแต่โอกาสริดหลอนให้ตายไปทีละคนสองคนจนกระทั่งหมดทั้งคณะเชิญวูดพูดอ่อยๆ โดยความจริงแล้วผมก็ยังคิดไม่ออกยกเว้นแต่จะแก้ไขเหตุการณ์ เ, เฉพาะหน้าแต่ละครั้งเท่านั้นมันมีเป้าหมายสำคัญอยู่3ามจุดที่เราจะต้องหาทางทำลายให้ได้ซึ่งจะได้ผลแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรบ้างทั้งห้าคนฝ่ายนายจ้างถามขึ้นพร้อมกันเรากบนัดกันไว้ 1. ไอ้งาดำจาาโรงพบเมื่อไรล้างมาล้มมันให้ได้เสียก่อนผมแน่ใจว่ามันมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุด กับวิญญาณร้ายของมันไทรสองซากมัมมี่ตัวสําคัญอันมีลักษณะเป็นนักรบสูงใหญ่ตนนั้นซึ่งมันตรายใช้เป็นร่างอาศัยก็ไอ้ตัวเดียวกับที่เข้ามาหักคอลูกหาเราสองคนและล่อผมให้ไปตกเหวเมื่อคืนวานนี้นั่นแหละสามค้นหาสุสานหรือป่าช้าหมื่นปีของนิทรานครที่เก็บมัมมี่พวกนั้นให้พบแล้วระเบิดหินภูเขาปิดหนทางเข้าออกเสียอย่าให้มันไปเกณฑ์เอา เอาไอ้ผีดิบเรานั้นออกมาร่วมมือใช้งานได้อีกส่วนการที่มันจะลอบเข้ามาเร่งงานทําร้ายเราไม่ว่าจะโดยวิธีใดถ้าหากผมหรือบุญคํำยังอยู่รับรองได้ว่าผมกับบุญคําพอจะสกัดกั้นมันไม่ได้สําหรับวันนี้นั้นเราจะมุ่งเข้าหาเพื่อช่วยเสือร้องก่อนโดยอพยพกะเรียงพวกนั้นไปรวมกับพักพวกเข้าที่นั่นเราอาจเดินทางถึงภายในวันนี้ตอนค่ำๆหรืออย่างช้าก็ตอนสายพรุ่งนี้ถ้าการเดินทางช้าไปบ้างหลังจากนั้น เราก็จะตัดทางเข้าหาตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของนิทรานครซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลากี่วันและยังจำเส้นทางได้อยู่หรือเปล่าเพื่อค้นหาสุสารมัมมี่ให้พบก็ไม่แน่เหมือนกันผมจะตรวจสอบกับแผนที่ทางอากาศของพวกคุณไปพร้อมกันด้วยบางทีเครื่องบีหสิบสองอาจตกอยู่แถวๆที่เราก็เจตนาจะไปอยู่แล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการเสียเส่ยงบุญเสี่ยงกรรมกันทั้งสิ้นชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นเดิมพัน วันนี้เป็นวันแรกที่คุณพูดหรืออธิบายอะไรให้พวกเราฟังยังจะแจ้งชัดเจนดีละเกินระพินเอาอยัางไงก็เอากันพวกเรายินดีที่จะปฏิบัติตามคุณทุกอย่างและเชื่อมือคุณอย่างเต็มที่วันหน้าคณะพูดขึ้นห้าเฮาระพินไพรวันก็ยืนขึ้นในบัดนั้นบอกกับทุกคนว่าเชิญตามผมออกมาได้ครับผมจะนำทุกท่านไปดูมัมมี่สองซ่าที่คนของผมยิงหมดฤทธิ์คาอยู่กับก้อนหินเมื่อคืนนี้ แล้วก็ลงไปดูบริเวณด้านล่างที่พวกมันเอาช้างมารื้อราวตากเนื้อของเราพินาฏหมดสิ้นแล้วระยะเวลาระหว่างนี้พวกลูกหักจะได้เข้ามาเก็บของลําเลียงลงไปตั้งหลักข้างล่างทั้งหมดตามเข้าออกมาทันทีพร้อมกับอาวุธประจํามือและเป้หลังโดยทิ้งสัมภาระต่างๆไว้เพื่อให้พวกลูกหับเก็บรวบรวมเข้าหีบพอทานใหญ่นําไปดูซากแรกที่จันยิงกริ่งลงไปค้างอยู่กับซอกหินอันเป็นตําแหน่งที่ใกล้ที่สุดเสียก่อนมันก็มีลักษณะคล้ายคลึงไม่ผิดอะไรกับที่ฝ่ายในจ้างทุกคนเคยพบเห็นมาแล้วนั่นเอง ถ้าจะผิดกันไปบ้างก็เพียงแต่สันฐานลักษณะของซากกับเครื่องแต่งกายซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพและซากฐานะของสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์ในยุคนั้นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือมันผิดกับซากมัมมี่ของชนเผ่าไอเอคุปหรือพวกอินคาที่อเมริกันพวกนี้เคยศึกษาผ่านพบเห็นมาแล้วมากเพราะถึงแม้จะเป็นซากที่ดูแห้งกรอบแต่ก็ไม่ได้เหี่ยวโหดด้วยมีส่วนผุพังชำรุดแต่ประการใด หนังที่รัดหุ้มโครงกระดูกใหญ่กลายเป็นเปลือกหุ้มนอกที่เหนียวแน่นและแข็งแกร่งที่สุดกระดูกจะหล่อล้อมขึ้นด้วยยางบางชนิดคล้ายๆยางที่นำมาประดิษฐ์เป็นยางรถยนต์เสื้อผ้าอาภรเครื่องแต่งกายก็ได้ฝังกลืนสนิทเข้าไปเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งอันเดียวกับผิวหนังและไม่ผิดอะไรกับเอาเง้าไม้มาแกะสลักไว้ทั้งดุน้นบางส่วนก็มีรอยหินย้อยลงมาเครือบเอาไว้แสดงถึงอายุไขที่นานแสนานานนับการเวลาไม่ถูก เท่ากับพิสูจน์ชี้ชัดได้ว่าซากเล่านี้ได้ถูกนําไปเก็บไว้ในถ้ำที่ชุ่มชื้นเยือกเย็นมีหยดน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดการมันเป็นลักษณะของถ้าที่เกิดหินงอกหินย้อยขึ้นได้ไม่มีร่องรอยเน่าเปื่อยอันผิดไปจากซากมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาภายหลังที่ศูนย์สิ้นชีพไปแล้วและเป็นความลี้ลับที่สุดอีกข้อหนึ่งที่ว่ามนุษย์ในยุคนั้นใช้กรรมวิธีอาบยาศพให้คงสภาพอยู่เป็นนิรันดร์การเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะศพอาบยาหรือมัมมี่ ที่เคยพบเห็นศึกษากันมาบ้างแล้วนั้นน่าจะเก็บรักษาเข้าโครงเดิมไว้พอให้เห็นถึงอดีตสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็จะเป็นซากที่ผุกร่อนเหี่ยวยน่นหาความแข็งแรงทนทานได้ใดไม่ได้เลยและจะหดลงเหลือในสภาพเหลือในภาพกองหนังและกระดูกกองกระดูกเท่านั้นแต่ศพอาบยาของนิทรานครที่ระพินเล่าถึงความเป็นมาที่เคยเผชิญมาก่อนให้ฟังรวมทั้งที่มายืนรายร้อมพิจารณาใคร่ครวนกันอย่างจริงจังในครั้งนี้ เป็นซากที่แร่งกระด้างเหมือนแท่นไม้แกะสลักไม่มีผิดรวมทั้งที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใกล้เคียงกับสมัยที่มันควรจะมีชีวิตอยู่ในครั้งกระโน้นด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาเลยถ้าหากว่าซากเหลา่านี้เกิดมีวิญญาณเข้าสิงและเคลื่อนไหวใช้พลังงานขึ้นมาเมื่ อ, อไรมันย่อมจะใช้โครงร่างของมันทาอันตรายมนุษย์ได้อย่างสบายหลอกหลอนทาให้ขวัญเสียตกใจกลัวได้ เหมือนพูดผีปีศาจมันต้องการจะหลอกและถ้าได้โอกาสก็สามารถทำร้ายในทางร่างกายด้วยถ้ามันต้องการจะทำร้ายนี่คือสมรรถภาพของาซากทุกคนซึ่งมาจากโลกจเจริญแล้วในยุคนิวเคลียร์รุมร้อมวิเคราะห์กันอยู่ด้วยความรู้สึกที่สยองกล้าวและกังวลขีดสุดในฐานะนักเคมีฟิสิกส์ริสติน่าตรวจซากที่นอนแข็งทื่ออยู่นั้นอย่างเอาจริงเอาจังผิดประ ก, การเคยพบเห็นครั้งแรก เอามือจับคางคิดลีตาลงให้หลังจากลงทุนใช้มือที่สวมถุงหนังจับสัมผัสซากนั้นรวมทั้งสั่งให้พรานพื้นเมืองของระพินที่ตามมาด้วยริกซากขึ้นดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังรอนตรวจแม้กระทั่งรอยกระสุนไรเฟิลของจันที่เจาะทะลุเป็นรูเล็กๆ เ, เข้าบริเวณลิ้นปีกทะลุผ่านออกหลังซึ่งบาดแผล ร, รอยออกของกระสุนด้านหลังก็ไม่เบอะบะไม่เบอบะเบ้อกว้างใหญ่อะไรมากไปกว่ารอยเข้าด้านหน้าเนื่องจากไม่ได้กระทบกระดูก เป็นบาดแผลเหมือนกระสุนเจาะผ่านดุนยางเหนียวถ้าจะให้สันฐานตามความคิดของฉันหลอนเอ่ยขึ้นเบาๆเคร่งรึ้กรรมวิธีอาบยาศพของชนเผ่านี้เป็นคนละกรรมวิธีกับการทำมัมมี่ของอียิปต์หรืออินคาโบราณมากภายหลังจากใช้เจ้าของร่างภายหลังจากเจ้าของร่างเสียชีวิตลงศพจะถูกแต่งตัวเต็มที่ตามตำแหน่งยศฐ า, านะที่เคยดารงอยู่แล้วนาลงแช่ไว้ในอ่าง ที่บรรจุน้ํายาบางชนิดอันประกอบขึ้นด้วยสูตรเช่นไรบ้างเป็นสิ่งลี้ลับที่เราจนปัญญาที่จะรู้ได้แต่ที่แน่นอนก็คือสภาพของน้ํายาจะต้องเป็นน้ํายาอิ่มตัวที่ประกอบมาจากสมุนไพรารากไม้และแร่ธาตุบางชนิดการแช่ศพซึ่งประดับเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วนี้ลงไปในอ่างน้ํายาอาจมีกําหนดเวลาว่าใช้เวลานานเท่าใดจนกระทั่งน้ํายาเข้าไปทําปฏิกิริยาทางเคมีกับศพและเครื่องแต่งกาย โดยมีคุณสมบัติประกอบกันอยู่สองนายสำคัญคือ 1. งคงรูปถาวรและไม่เน่าเปื่อย 2. มีความแข็งแกร่งมั่นคงสามารถป้องกันเชื้อจุลินทรีย์แมลงหรือสัตว์ทุกชนิดที่จะมาทำลายได้เพราะตัวยาที่ศดและเครื่องแต่งกายแช่ไว้มีพิษประดุดเกราะที่กันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ให้เข้าไปกัดแทะเจาะชัยได้นี่คือสาเหตุที่ทาให้มัมมี่พวกนี้มีภาวะของซาแกลงประดุดเงาไม้หรือหิน และคงรูปอยู่ใกล้เคียงกับสมัยที่มีชีวิตอยู่มากที่สุดผิดไปจากมัมมี่ตามปกติที่เราเคยพบและภายหลังเมื่อแช่น้ำยาจนได้อายุครบเพื่อให้คงทนถ้าววอนแล้วก็อาจมีเหตุผลประกอบอีกด้วยว่าจะต้องนำศพที่อาบยานี้ไปเก็บไว้ในสุสานอันเป็นถ้ำตามธรรมชาติซึ่งมีหยดน้ำซึมหล่อเลี้ยงตลอดการโดยให้ศพถูกหยดน้าจากหินงอกซึ่งเป็นตัวเคมีอีกชนิดหนึ่งหยาดลงมาอาบไว้อีกทีหนึ่งใช้การเวลายาวนานมาก จนน้ำจากภูเขาของสูสารและหินย้อยลงมาเชื่อมถึงตัวศพสภาพของมันจึงมีลักษณะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่จดเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลกทีเดียวถ้าเราสามารถนำากลับไปสู่โลกภายนอกให้ใครๆพบเห็นได้รรบพินไพรวันไม่พูดอะไรในขณะนั้นแต่ก็ยอมรับอยู่ในใจว่าคริสวิค์สภาพของซ่าจากสุสาร น, นิทรานครได้อย่างมีลักเกณฑ์ที่สุดในยุคก่อนนี้สมัยที่เขา ผ่านผจญมากับคณะของคุณชายเชษฐาไม่เคยมีใครมาพิจารณาซาของเจ้าผีดิบเหล่านี้อย่างแท้จริงเลยสักครั้งขนาดเห็นก็ยังไม่อยากเข้าใกล้ ย, ยกเว้นแต่จําเป็นจะต้องปะทะต่อสู้กันเท่านั้นซึ่งก็สู้ไปเพื่อป้องกันตัวเอาชีวิตรอดอย่างเดียวลิสอธิบายต่อไปว่าฉันไม่อยากจะเรียกมันว่ามัมมี่หรือศพอาบยาหรอกแต่อยากจะเรียกมันว่าเป็นวัตถุโทรหดชนิดหนึ่งที่ถูกมนุษย์ในอดีตการใช้ความรู้ความสามารถของเขาประดิษฐ์ขึ้นมา โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีผนวกกับการเวลาซึ่งต้องถือว่าการจะทําเช่นนี้ได้ต้องเป็นศาสตร์อีกแคนงหนึ่งที่มนุษย์รุ่นหลังๆอย่างคนควาเข้าไปไม่ถึงเพียงแต่ว่าวัตถุโทรหดชนิดนี้แต่เดิมที่มันเคยเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมาก่อนในยุคสมัยของเขาเท่านั้นสาเหตุที่ทําขึ้นก็อาจมีเหตุผลโดยการเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับฟื้นคืนชีพมาในร่างเดิมหรือมิฉะนั้นก็ทําขึ้นเพื่อให้หลงเหลืออยู่เป็นอนุสรพยานหลักฐานทางวัตถุว่า ในยุคสมัยของพวกเขานั้นวิทยาการทางด้านนี้ของเขาเจริญถึงขีดสุดศพที่นำมาอาดยาและเขาเก็บไว้ในสุสานเหล่านั้นก็เช่นกันเข้าใจว่าจะต้องล้วนเป็นศพของบุคคลสําคัญของเขาทั้งสิน้นจึงจะมีสิทธิทําเก็บไว้เช่นบรรดาพวกกษัตริย์ราชวงศ์คุนศึกและข้าราชบริพารชั้นสูงรวมทั้งชนชั้นปกครองของพวกเขาคงไม่ใช่ประชาชนธรรมดาหรอกใครมีความเห็นอย่างไรบ้างประโยคหลังหล่อนเ อ, อ่ยถามลอยลอยขึ้น ข้อสันนิษฐานของคุณน่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดคริสชดพุทเอ่ยขึ้นในขณะที่ทุกคนแม้แต่ละพินก็เงียบกริบคุณห ล, ละพินในฐานะที่คุณน่าจะเรียกได้ว่าผู้ชํานาญการที่สุดเพราะเคยผ่านพบมาก่อนแล้วหล่อนหันไปยังความเห็นเขาผมก็เห็นว่าคุณสันนิษฐานได้ดีที่สุดและตามหลักของโบราณศาสตร์มนุษยศาสตร์และกฎของเคมีแต่ความเห็นเพิ่มเติมของผมก็คือนอกจากวิทยาการต่างๆที่คุณสันนิษฐานขึ้นแล้ว มันจะต้องมีเวทมนต์ท่าทอาคมเข้าเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วยและผมแน่ใจว่าวิชาการรึศาสตร์นี้อยู่ในมหาคัมภีร์มายาวินซึ่งผมเผาวอดบายไปแล้วนั่นแหละใครเป็นผู้จารึกรสร้างมหาคัมภีร์มายาวินมันตรายราชปูโรหิตนั่นลหละหรือแดนนี่ถามขึ้นจอมพรานผู้ยิ่งยงโครงศีษะชชะผมไม่คิดว่ามันตรจะเป็นผู้สร้างมหาคัมภีร์นั้นขึ้นเองมันจะต้องเป็นมหาคัมพีที่มาก่รยุคสมัยของนิทราคนครด้วยซ้ํา ใครสร้างไม่ทราบได้อาจเป็นเทพเจ้าถ้าเทพเจ้ามีจริงอาจเป็นซาตานถ้าซาตานหรือเดวินในศาสนาของพวกคุณมีจริงมันไตรนั้นเป็นแต่เพียงผู้รู้แจ้งเรียนจบในมหาคัมภีร์นี้ได้นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นอย่างที่ผมได้เล่ารายละเอียดให้ทุกท่านได้ฟังแล้วเพราผมบุกเข้าถึงตัวมหาคัมภีร์อุบาทซึ่งถูกปักตรึงอยู่ด้วยกริชภายใต้ฐานของแทน่นบรรทมแบบเจ้าหญิงนิทราของพระนางพันทุมวดีและกระชากกริชที่ปักอยู่ออก อิทธิริลายอันเกิดจากกริยามนุ์ของมันไกลในขณะนั้นก็เสื่อมสลายทันทีพวกผีดิบทั้งหลายที่รุมล้อมทําอันตรายเราอยู่ขณะนั้นล้มลงหมดเหมือนหุ่นยนต์หมดคลื่นวิทยุบังคับวิญญาณของพันธุธุมวดีและคาราชปริพันธ์ทั้งหลายถูกปลดปล่อยเป็นอิสระทันทีและซากของนางอันเป็นสตรีโฉมจักรานยิ้มเออเปล่งปลังในโรงแก้วผลึกก็ยุบสลายกลายเป็นผุยผงทุรีละออง พ้นจากการทรมานในสภาพผีดิบมาชั่วกับชั่วกันเหลือเฉพาะตัวมันตรเองเท่านั้นที่เพนนีไปได้และในที่สุดเราก็ตามไปทำลายซากของมันได้ในเวลาต่อมาซึ่งไม่นานเกินไปนะักการย้อนกลับมาของมันตรในครั้งนี้แม้ว่ามันจะดูเหมือนพี่นาฏไปแล้วในคราวนั้นก็ตามผมเชื่อว่าดวงจิตวิญญาณของมันยังมีความจาทรงจาสูตรต่างๆในมหา ค, คัมภีร์มายาวินอยู่ได้ในบางบทหรือบางตอน พอมันรวบรวมพลังจิตเป็นกลุ่มก้อนตรึกนึกได้ในสูตรของมหาคัมภีร์ที่ถูกทําลายไปแล้วมันก็นํากลับมาใช้ได้อีกเราจึงต้องเผชิญกับริษยายของมันอีกอย่างที่เผชิญอยู่นี้นี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานของผมเช่นกันดีมากช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ออกไปในแง่มุมที่กว้างขวางที่สุดตามแต่พวกเราใครจะถนัดในทางด้านไหนข้อมูลที่ช่วยกันคิดตรองขึ้นนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับมันได้ถนัดขึ้น ดีกว่าที่จะคำส่งเด็ชไปในความมืดรับพินต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นขอให้คุณจะปิดบงังเงียบเฉยไว้คนเดียวเพราะอันตรายที่สุดจะคิดว่าถ้าพูดไปแล้วเราจะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สารละและไม่ยอมฟังเสียงหรือร่วมมือซึ่งอย่างไรเราก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วซ้ําคุณยังเป็นกัปตันเรือเสีอีกวันนี้เป็นวันที่ผมพอใจในการยอมพูดในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจมากที่สุดด็อร์สแตนลีย์กล่าวหนักแน่นเหมือนจะเป็นคําสัง่งเจอกันเข้าขนาดนี้แล้ว ถ้าไม่ยอมปริปากอะไรอีกก็ไม่ไหวแล้วมีหวังตายกันหมดอิสเบลพูดเบาๆเราต้องรู้จิตใจกันเสก่อนหรือบางทีผมก็ต้องรอโอกาสก่อนที่จะบอกความจริงอะไรออกไปในสิ่งที่ผมรู้ผมนึกหรือคิดถ้าด่วนบอกไปเสียก่อนโดยที่พวกคุณก็ยังไม่เห็นอะไรกับตาแบบนี้คำพูดของผมเท่ากับเป็นการทําลายความไว้วางใจจากพวกคุณไปโปล่าๆหวนคิดไปถึงความหลังระยะที่ผ่านมาสั้นๆนีดสักนิดแล้วพวกคุณจะรู้สึกได้ผมพูดคําเดียวว่าการมาในครั้งนี้เสี่ยงภัยที่สุด จากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแต่พวกคุณก็ไม่เชื่อกันนะทุกคนเชื่อสมรรถภาพของตนเองว่ามีความสามารถในการเดินป่าและเชื่อในสมรรถนะเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของพวกคุณที่นํามาด้วยอย่างเต็มที่ก็ต้องรอให้ผ่านพบเผชิญหน้าเองเสียก่อนแบบนี้แหละจึงค่อยๆ อ, อธิบายกันไปทีละเรื่องทีละอย่างจอมพรานพูดเรียบๆและไต่หน้าผานําไปยังตําแหน่งของอีกซากหนึ่งที่โดนลูกปืนของบุญทําแองแมนอยู่ในสภาพเดียวกันแล้วก็นําไปดูชิ้นส่วน ของใบหน้าซากที่เขายิงผ่านกะโหลกหล่นไว้ซีกหนึ่งทว่าตัวของมันหายไปเสียแล้วพลไม่พบรู้สึกว่าฝ่ายในจ้างอเมริกันของเขาจะปรับจิตใจและเข้าใจอะไรได้ดีพอสมควรแล้วคีสใช้เท้าเขี่ยดูเซยกะโหลกของทรงใบหน้าที่หล่นอ ย, อยู่อย่างขยะแ ข, ขยงหันไปพึมพำอะไรกับเบลในระหว่างที่คนอื่นๆกําลังไปมุ่งอยู่ที่ซากซึ่งบุญคําสะกดด้วยลูกปืนนอนนิ่งไม่ผิดอะไรกับซากที่จันยิงไว้แล้วในคีสก็ชูดเหมือนเตะฟุตบอลเซกะโหลกนั้นกระเด็นปลิวหล่นลงไปตามหน้าผา ด้านล่างทันทีไอตัวที่คุณยิงหน้าแหกไว้หนีไปได้ส่วนสองตัวที่ถูกบุญคำกับจันร์ยิงหมดฤทธิ์ทิ้งเป็นหลักฐานอยู่นี่มันหมายถึงว่ากระสุนของบุญคำกับจันทร์เป็นกระสุนลงอาคมส่วนกระสุนของคุณเป็นกระสุนปกติธรรมดางั้นใช่ไหมสแตนลีย์ Stanley ถามเขาใช่ครับพวกคุณเข้าใจได้สมควรแล้วในเคร็ดลาวนี้ถ้างั้นในชันนี้เราก็สรุปได้ว่ากระสุนที่ผ่านพิธีลงอาคมของบุญรำศักดิ์สิทธิ์พอที่จะหยุดซากเหล่านี้ได้ชั่งัด ชนิดที่ถ้ากระสุนกระทบวิญญาณก็จะหวนเข้ามาสิง่นําไปใช้งานอีกไม่ได้จึ่งตรงข้ามกับกระสุนธรรมดาแม้จะทําความย่อยยับเพื่อแก้ซ่าขนาดไหนลงท่าวิญญาณเข้าสิงมันก็สามารถนําเอาซ่าที่ย่อยยับแล้วเหล่านั้นกลับมาหลอกหลอนทําร้ายเราได้อีกก็เมื่อเป็นชนิดทําไมคุณถึงไม่แนะนําให้พวกเราทุกคนรวมทั้งลูกหาบทั้งหลายเอากระสุนที่ใช้งานเข้าพิธีปลุกเสกทางสายศาสตร์เสียให้หมดเพื่อไว้ใช้ต่อสู้กับเจ้าสิ่งลีลับพวกนี้ เราพินนิ่งไปครู่ยังไม่ตอบคําใดในขณะนั้นก่อนทั้งสิ้นลักษณะของคุณดูคล้ายจะลังเลลำบากใจต่อคําถามของเราคริสเอยมาอีกจ้องหน้าครับผมยอมรับว่าลังเลได้ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตอบพวกคุณว่าอย่างไรระหว่างลูกปืนที่ลงอาคมของบุญคํากับลูกปืนปกติธรรมดาของพวกเราส่วนใหญ่เพราะมันจะต้องมีคําอธิบายมากในข้อที่ว่าเหตุใดผมจึงยังไม่ทําเช่นนั้นอย่าว่าแต่กระสุนของพวกคุณเลย ต่อให้กระสุนของผมเองก็ยังไม่ตัดสินใจทำอย่างบุญคำเลยเพราะมันเกิดผลดีในด้านปราบไอ้ผีดิบที่ถูกบงการมาด้วยเวทมนต์กาลีลีลับนี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันจะเป็นผลเสียในด้านอื่นๆเราต้องการคำอธิบายถ้าคุณพอจะอธิบายได้แซนลี่กับคีตเอยยึ้นพร้อมกันอย่าลืมคำสัญญาของคุณเมื่อหย ก, หยกนี้เซนะะพราต่อไปนี้คุณจะไม่มีอะไรปกปิดพวกเราแ่นะักเคมีฟิสิกสา์า แต่ชั้นคำถามไล่รุกมาอีกคนจะให้ผมอธิบายก็ได้คืองี่ครับพิธีลงอาคมในกระสุนปืนของบุญคําเป็นพิธีทางไซยศาสตร์ที่ทําในลักษณะค่อนข้างสกรปรกอยู่สักหน่อยภาษาไทยเขาเรียกว่าซวยโศโครกผมจะไม่บอกคกำรรวิธีว่าบุญคำใช้วิธีทางเดร์ชานวิชาเพื่อแก้มนุ์มืดของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรแต่จะสรุปให้ฟังว่ากระสุนที่บุญคําปลุกเสกทาขึ้นนั้นจะใช้ประโยชน์ในด้านทําลายอาคมขังของฝ่ายตรงข้ามประการเดียวเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้ว และจะใช้ค่าหรือสังหารอะไรก็ตามตามปกติจริงอยู่แต่ถ้าเป็นปืนของพลานผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ประทังชีวิตแล้วเขาจะไม่ยอมทํากันเพราะถ้าไปยิงสัตว์ปกติทั่วๆไปกระสุนจะมีความแม่นยำน้อยลงควรถูกก็ไม่ถูกควรจะยิงสัตว์ล้มได้ตัวต่อให้ถูกแล้วสัตว์ธรรมดาก็วิ่งหนีไปตายพลายอื่นหรือถ้าได้ตัวมาแล้วเนื้อแทนที่จะอาศัยเป็นอาหารได้บ้างเนื้อที่ถูกกระสุนปืนชนิดนั้นก็จะเน่าเร็วกว่าปกติ บางทีถลกหนังยังไม่ทันหมดตัวเลยกลิ่นเน่าของสัตว์ที่เราจะหวังเป็นอาหารก็ขึ้นเสร็แล้วทําให้กินไม่ได้นี่คือข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นในฐานะพรานอาชีพอย่างผมจึงไม่ประสงค์จะให้ปืนของผมถูกนํามาใช้กับกระสุนผ่านพิธีสกปรกแบบนี้เนื่องจากผมใช้ปืนคู่ชีพมีอยู่เพียงกระบอกเดียวต่อไปเราก็จะต้องใช้เป็นเครื่องมือหาอาหารอย่างชีพอีกด้วยอย่างไรก็ตามถ้าพวกคุณไม่รังเกียจในจุดข้อเสียนี้อยากจะได้กระสุนชนิดที่ลงอาคมของบุญธรรมก็ไม่ยากอะไร ปเดี๋ยวเอากระสุนที่จําเป็นต้องใช้รวบรวมให้บุญคำเอาไปเข้าพิธีปลุกเสกเสียรับรองได้ว่าต่อไปนี้โคมไหนโคมนั้นสําหรับไอ้ผีดีหรือสิ่งต่างๆที่จะมาในรูปมวลมายามืดของมันไกลจะกระจุยไปในทันทีจึงขอให้พวกคุณปรึกษาหารือกันเสียก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยอมให้ปืนของพวกคุณยิงกระสุนเข้าพิธีสกรปรกชนิดนี้หรือไม่คราวนี้แซนลี่คีอิสสเบลและคริสตินา่ามองหน้ากันเองอยู่ไปมาแปลว่าบุญคําสามารถทํากระสุนของพวกเราทุกคน ยิงไอ้พวกนี้อยู่ได้นัดเดียวงั้นหรือแน่นอนไม่ว่าจะกระทบในจุดใดแต่ปืนของเราจะเอาไปล่าสาัตว์อื่นอีกไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อยังชีพหาอาหารสเตนลี่ซักไซเพื่อหาความมั่นใจอีกครั้งสื้อผ้าโปรดพรายก้มหัวลงนิดนึงลองดูและจะรู้เองทางนั้นพวกเราก็ตัดสินใจได้เลยหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอโวสโสกล่าวสวนในทันทีโดยไม่มีการตรายจ้องอีกให้เสียเวลาขณะนี้เรากำลังเผชิญกับอันตรายใหญ่หลวงจากมนุ์มืดกาลี ต้องการต่อสู้กับมันเพื่อเอาชนะให้ได้หรืออย่างน้อยก็ให้ชีวิตของเรารอดปืนของเราไม่ได้คิดที่จะเอาไว้เพื่อล่าสัตว์อีกเพราะเราไม่ใช่พรานอาชีพเพราะฉะนั้นโปรดให้บุญธรรมจัดการกับกระสุนปืนของพวกเราด้วยผมไม่ชอบเห็นไอ้ผีดิบบางตัวที่ถูกยิงสบ้าหแหลกเดินไม่ได้ไปแล้วหรือยิงจนหัวขาดหายไปแล้วมีโอกาสคลานหรือย่องเข้ามาหลอกหลอนทําอันตรายพวกเราได้อีกแต่ต้องการยิงกําจัดมันหรือพูดให้ตรงว่าฆ่ามันเสียในทุกตัวที่เราพบเป็นการลิดรอนมันไปเรื่อยๆสุดแต่จะพบที่ไหน อย่างไรเมื่อไร่เท่ากับเป็นการตัดทอนกําลังมันในตัวด้วยตกลงครับประเดี๋ยวลงไปข้างล่างตรงลานใต้หน้าผานั่นก่อนออกเดินทางผมจะให้บุญคําจัดการให้ขอให้เข้าใจอีกครั้งนะครับว่าถึงแม้จะไม่ได้ยิงก็ตามเพียงแต่กระสุนบรรจุกระสุนนี้เข้าไปในตัวปืนโดยให้กระสุนสัมผัสกับโครงปืนเท่านั้นแปลว่าปืนของพวกคุณกระบอกนั้นๆเสียสมรรถนะของปืนในสภาพปกติอันควรเป็นไปของมันในทันทีต่อไป เกิดจะไปยิงอะไรแล้วไม่ถูกหรือมีเรื่องซวยๆอะไรเกิดขึ้นกับปืนก็แก้ไขไม่ได้แล้วและอย่ามาโทษกันสําหรับปืนของผมก็จะขอใช้กระสุนธรรมดาแบบเดิมของผมนี่แหละพวกนั้นอึ้งไปอีกครั้งกระพริบตากันอยู่ปริบๆเชิญวุฒิสกิทครับผู้ใดอ่อยว่าอะไรก็ช่างเธอเขาอย่าให้ปืนแตกระเบิดใส่หน้าตัวเองก็แล้วกันในกรณียิงอย่างอื่นจอมพรานยิ้มครึมๆผมก็รับรองไม่ได้เหมือนกันในข้อนั้นถ้าหากว่าคุณจะเอาปืนและกระสุนชนิดนี้ไปยิงเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านดีงาม ยิงปูชนียสถานปูชนียวัตถุเช่นรองพระตะกรุดหรือเหล็กไหลโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจรูล้ล่ลลวงหน้าได้ว่าสถิดอยู่ที่ไหนในทิศทางหรือเปล่ากระบอกปืนเราหันไปตายหาเชิดวุฒกระซิบเบาที่สุดทั้งสองพูดกันเองซุบซิบในภาษาไทยฝ่ายอเมริกันไม่ได้สนใจด้วยคงหันไปพูดอะไรกันเองในหมู่แล้วก็ยืนยันเช่นเดิมว่าจะส่งกระสุนทุกช น, นีดที่ฝ่ายตนใช้อยู่ให้บุญคำปลูกเสกให้ขณะนี้บนลานดินเบื้องล่างเต็มไปด้วยพวกลูกหาบกระเรียงตะเคียนทอง ซึ่งกำลังตระตรียมางและทำงานแข่งกับเวลาอยู่พร้อมที่จะตั้งกระบวนอพยพแล้วประพินตะโกนสั่งความให้เล่งทยอยลําเลียงเข้าของสัมภาระทุกชนิดไม่ว่าฝ่ายของนายจ้างหรือของกเรียงพวกนั้นลงไปกองรวมกันอยู่ข้างล่างโดยไม่ชักช้าแล้วชวนกลุ่มนายจ้างของเขาลงไปสมทบทันทีผมให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงครับใครจะอาบน้ำหรือจัดการกับตัวเองเพื่อความสะดวกสบายอย่างไรก็เชิญได้ตามเวลานี้หลังจากนั้นเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วตลอดระยะทางของวันนี้ทราบไม่ล่วงหน้าได้เลยว่า เราอาจถูกดักโจมจีตรงจุดไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นโดยกองทัพช้างและเลโกนต่างๆของมันเราจุดอ่อนของเราก็คือก็เรียงอพยศส่วนใหญ่ที่ไปด้วยอันเป็นภาระที่เราต้องรับผิดชอบปกป้องไว้ด้วยเนื่องจากพวกนี้ป้องกันตัวเองไม่ได้และมีอยู่จํานวนมากทุกคนรับรู้และชวนกันไปที่ทา น, น้ำรวมทั้งเชิดมุดด้วยทานใหญ่สั่งให้จันเสยและเกิดทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตามลงไปสังเกตการด้วยและก็เรียกบุญคําเข้ามหาพร้อมทั้งบอกให้ทราบว่ากลุ่มนายจ้างอเมริการต้องการเช่นไร ตากเท่าเอามือรูปกลัวอ้าปากวะฮ่านายไอ้ฝาลังพวกนั้นมันยอมเชื่อหรือเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่บังคับให้ฉันสั่งบุญคําให้ทําให้ด้วยทุกคนของพวกนั้นปอดแห่กรักตัวกลัวตายได้กันทุกคนนั่นแหละตอนนี้บุญคาก็ทําหน้าที่เป็นพระอาจารย์ไปก็แล้วกันประเดี๋ยวจัดการเลยจะไปตั้งประรังพิธีบ้าๆอะไรของบุญคําที่ไหนก็แอบบแอบไปทําให้รับหูรับตาหน่อยอย่าให้พวกนั้นเห็นเพระไมง่งั้นเรื่องกังเกงในาสองตัวของ สองแหมมที่หายไปนั่นจะถูกเปิดเผยไปว่าบุญคาเป็นคนขโมยเอาไปทำผ้าเช็ดหน้าบุญคากระโดดตัวลอยตาเหลือกร้องลัน่นอุ๊ยนะอย่าได้บอกเรื่องนี้ให้แหม่มคริสกับแหมมเบลรู้เป็นนันคาทีเดียวนะก็เดี๋ยวไอ้ทําถูกด่าเปิงแล้วก็แม่นายพูดอะไรก็ไม่รู้บุญคำไม่ได้ขโมยเอาไปทำผ้าเช็ดหน้าสักหน่อยว่างๆก็แค่แอบเอามาดมๆ ด, ด, ดูมั่งเท่านั้นมันชื่นใจดีกลิ่นเหม็นเหมือนเนยผสมกลิ่นเหมือนเ น, ย, น, เ น, เนยแข็งผสมผักชียี่หร่าได้กลิ่นและเสียวทองน้อยแล้วพินตตฉาที่้นคอ จนหัวขมาไปไม่กล่าวอะไรอีกเดินไปตรวจดูความเรียบร้อยของขบวนอพยพทันที